เพื่ออะไราถามแบบไม่เคยมีความรู้มาหรือว่าอยากจะรู้เพิ่มเติมอยากจะรู้เพิ่มเติมแล้วความรู้เดิมคําว่าบุญในทางพุทธศาสนาที่เราเข้าใจเนี่ยที่เราเข้าใจไว้ก่อนแล้วคือแบบไหนคือบุญนะครับก็คือสิ่งที่เราทําออกไปโดยนะครับ โดยให้สิ่งที่เราของที่เราให้ไปเนี่ยอืของที่เราให้ไปเนี่ ย, ยโดยต้อการให้เขามีความสุขและบุญนั้นน่ะนะครับโดยเขาไม่ต้องสุดแล้วเนี่ยแล้วเราก็มีความสุกด้วยถ้าเขาไม่มีความสุขเราก็จะไม่มีความสุขเลยใช่ไหมออโดยที่ไม่หวังครับคือตัวนี้คือให้ไปแล้วครับให้ไปสแสดงว่าไม่ได้เกี่ยวว่าเขาจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขครับอืม แต่ให้ก็คือให้ให้ อ, ใหอันนี้คือผู้คุณในวงแคบในเรื่องเฉพาะของทานลวัตถุบุญที่เกิดจากการให้ทานอันนี้บุญที่ ห, หลังจากนั้นไปเนี่ยนะครับในส่วนของอการการบุญให้กับญาติที่ผู้รู้เราไปแล้วนะครับหรือที่ว่าทเวทวนาทีรักษานะครับรมถึงในเวรตรงเนี้ยนะครับบุญที่เกิดขึ้นไปเนี่ยนะครับอมีข้อ จ, จากัดนะครับว่าจะต้องทํา บุคคลประเภทไหนที่จะได้ผลมากในระดับใแต่ลระดับครับเท่าที่อธิบายถึงบุญหรือว่าเล่าเรื่องบุญที่เป็นความเข้าใจในส่วนของโยมเนี่ยที่จะมารับฟังมา เ, เป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดแล้วก็เป็นความรู้ที่อยู่ในในความรู้ที่แคบมากอันนี้ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าผิดนะ คือเรารู้อย่างนั้นมาจริงอตังรักก็รู้อย่างนั้นมาจริงในสมัยก่อนนี่เพราะในสังคมเราถูกปูกฝังในเรื่องของการใ ห, ใ ห, ให้ให้ทานเป็นลักษณะของบุญถ้าจะทําบุญก็คือให้ทานไม่ได้พูดถึงแง่อื่นทีนี้ในแง่ของพระพุทธศาสนาการจะทําบุญให้ถูกลักษณะของพระพุทธศาสนาบุญนั้นต้องเกิดจากปัญญาจริงปัญญาคือความรู้ของพเข้ใจในเรื่องของบุญ ว่บุญคืออะไรทําไมเราจะต้องทำบุญแล้วบุญมีประโยชน์ต่อชีวิตของเราอย่างไรแล้วมีคุณค่าแค่ไหนที่จะทําให้เราจะต้องเห็นคุณค่าเพื่อที่จะกระทำครับไม่ใช่ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายพาทําบุญมาก็ทําไปทําไปแต่ไม่ได้ทําออกจากความรู้สึกภายในจิตในใจของเราจริงๆเพราะถ้าเราทําโดยลักษณะที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายพาทํากันมาก็จะจัดเป็นพวกกาลมะ่งกาละมะคืออะไร าาก็ชนชาวกาละมะการลมะมสูด<ม>ก็จะเป็นประเภทการลมะคือพ่อแม่ผู้ญาติตายายพาทามาอย่างไงก็ทำอย่างนั้นไม่มีปัญญาพิจารณาเหตุผลแห่งการกรนทชนชาวการลมะเขาถูกสอนว่าอย่างนี้จริงทําอย่างเนี้แหละถูกก็ก็ททำมีสมณะทำมลุ่อื่นมาก็บอกว่าพวกที่ท่านที่ทําอยู่นั้นอ่ะไม่ถูกหรอกควรทาอย่างนี้จริงถูก เขาก็ทําตามสมณพาหมณ์กลุ่มที่สัญจรไปผ่านหมู่บ้านนั้นชนชาวกาลมะทีนี้สมณธรามกลุ่มใหม่เดินสัญจรผ่านไปในหมู่บ้านนั้นอีกก็ถามมาพวกท่านประพฤติปฏิบัติกันอย่างไรทําบุญกันอย่างไรก็บอกทําทตามที่สมณพราหมท่านอื่นที่เขาแนะนํามาให้ทําอย่างนั้นสมณพราหมณ์กลุ่มนี้ก็บอกว่าพิทท่านจงทําอย่างนี้จริงหรู้มันจะเป็นบุต เอาอย่างนั้นแหละเขาก็เาก็ไม่รู้ว่าไหนถูกกันไหนผิดเพราะสมรรภาพที่เขาสัญจรผ่านหมู่บ้านนั้นไปตามก็สอนทิศถีของตนไม่รู้จะยึดถือเอาแบบไหนเขาบอกว่าเส้นสวงดีก็ทำเส้นสวงเ็าบอกว่าการสักการะบูชากราบไหว้ดีก็ทำการสักการะบูชากราบไหว้เขาบอกว่าต้องไปหาอะไรไว้มักครอบครองไว้ไม่ว่าจะเป็นพวก วัตถุเครื่องร่งของของังว่าดกกีก็ไปหามาว่าดีคือใครว่าอะไรว่าดีก็ทําหมดคําว่าบุญในทางพุทธศาสนาหรือว่าคุณค่าของบุญที่พุทธศาสนาพยายามจะบอกสอนให้พวกเราได้เข้าใจมันไม่ใช่เรื่องราวที่พวกเราเคยประพฤติปฏิบัติกันมาเลยทั้งหมดมัไม่ใช่ฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่เรา หรือศาสนาเองจะต้องรู้จักสถานะของศาสนาหมายถึงว่าบุคคลผู้อยู่ในสัญลักษณ์หรืออยู่ในสถาสนะที่เป็นผู้เผยแ ผ, ผ่พระศาสนาไปสู่บุคคลผู้รับฟังคำสอนทางศาสนาหรือว่าศาสนาบุคคล จนถึงพุทธบริษัททั้งหลายใช่ไหมละ่ะเป็นเรื่องที่จะต้องทําความเข้าใจกันให้มันแยบคายหรือว่าละเอียดลึกซึ้งกว่านี้เพราะศาสนาพุทธเป็นศา ส, สนาที่รับรู้โดยผิวเผินไม่ได้คุณศาสนามีนัยยะต่างๆนานามากมายเพื่อนําไปสู่วิถีแห่งปัญญาคือความรู้แจ้งในสิ่งที่เองกระทาเราต้องรู้แจ้งนะว่าเรากระทาบุญเนี่ เพื่ออะไรเราต้องแจำแจ้งอยู่ภายในความรู้สึกในจิตในใจของเราไม่ใช่ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายพาทำมาคนนั้นบอกให้ทํามาคนนี้บอกให้ทํามาคนโน้นบอกให้ทํามาหรือแม้สิ่งที่จะทมากาลังจะบอกเองก็ตามก็อย่าพึ่งยึดถือว่าสิ่งที่จะทำมากําลังจะบอกเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกแต่จงขบคิดแล้วก็ทําความเข้าใจคําว่าบุญมีมาก่อนพุทธเจ้าที่เขาใช้กันแต่เขาใช้ผิดลักษณะ แต่คนในครั้งนั้นเขาไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้มีความแปลกใจหรือเอกใจว่าสิ่งที่เขาทาบุญในเวลานั้นเป็นความผิดลักษณะเลยเขาเชื่อมันว่านั่นคือสิ่งที่ถูกและเป็นอย่างนั้นจริงๆบุญก็คือการชําระล้างล้างอะไร ก, ก, ก, ก, ก็ล้างล้างสีสปปกปรกใช่ไหมละ่ะอะไรคือสิ่งสปปกปรกก็สิ่งที่ตรงข้ามกับบุญน่ะคืออะไรบาปบาปจึงเป็นสัญลักษณ์ของสิสีสกปรก นั่หมายถึงว่าร่างกายของเราเนี่ยทําไมเราต้องชําระล้างมันมีของสกรปรกเกาะติดอยู่นะน้ำไม่ล้างฝันไม่แปลงน้าไม่อาบเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเราต้องล้างทีน <c oughs> ี้การล้างเนี่ยโดยความรู้สึกของคนในเวลานั้นเขาว่าล้างเนี่ยสิ่งที่สามารถชําระล้างสิ่งสกรปรกได้คือ น, น้าฉะนั้นแล้วบาปอันที่เราได้ทําคือทุกคนมันอยู่ในวิถีที่จะต้องเปื่อนด้วยบาปหรือว่าพัน สิ่งที่เป็นบาปหรือจะต้องมีบาปมาติดหรือเกาะหรือปนเปื้อนอยู่ในแน่เพราะเราอยู่ในโลกการอยู่ในโลกเหมือนกับการอยู่ในโคนต้มการอยู่ในโคนต้มเป็นยังไง ร, รู้ไหมใช่มันก็ต้องเปื้อนแต่ไม่ได้เปื้อนทั้งหมดมันก็ต้องเปื้อนบางเพื่อนบางส่วนนอกเสียจากคนที่หมกอยู่กับโลกหรือว่ายอมจมอยู่กับโลกก็คือถูกโคนต้มนั้นดูดลงไปก็ ก, ก็เปื้อนทั้งตัวอันนั้นก็ได้รับทุกข์มากโผล่มาก ผู้สอนให้ชำระล้างหรือแม้แต่ครับพุทธาน ก, ก็สอนให้ชำระล้างในความรู้สึกของคนอินเดียในเวลานั้นเขาเข้าใจว่าสิ่งที่จะเป็นเครื่องชำระล้างได้คือ น, น้ําเพราะฉะนั้นบาปเราจะต้องถูกล้างด้วยน้ําที่ศักดิ์สิทธิ์และน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์คือแม่น้ํำคงคาเพราะเขาเชื่อว่าไหลผ่านเสียนพะศิวะพระศิวะพระคงคาแม่คงคานี่อะไรเอาเอ า, เอาเส้นผมรอง รองรับเพราะถ้าไม่เอาเส้นผมรองรับน้ำที่ไหลผ่านเสียภะชิวาจะทำให้แผ่นดินนี้โลดพังพินาศแต่สหายน้ำจะไหลพลักพังไปทุกที่แล่ทำให้ที่ที่นั้นถึงการพินาศไปแม่คงค้าก็เลยเอาเอ า, เอาเส้นเกตเส้นผมรับไว้คือลดคอนกระแสน้ำลมให้น้ำไหลลงมาไม่ไม่ให้ทำร้ายหนูมนุษย์เราเข้าเรื่องดีดมากเลยนะรับความแดงของ ใช่ลดกวามแรงตามลงก็าบอนั่นคือน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะไหลผ่านเสียนพระศิวะนั่นคือความเชื่อว่าพรนะศิวะน่ะคือผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์ในความรู้สึกของเราเราเราสมณพราหมณ์แบเวลานั้นแล้วความเชื่อเนี่ถูกปูกฝังมาเชื่อไหมไม่ใช่สองพันล้กว่าปีนะั้น <c oughs> เกินกว่าสามพันปีเกินกว่าหมื่นปีด้วยถ้าจะพูดถึงว่าแม่น้ำคงคาเกิดตั้งแต่เมื่ อ, อไหร่ ไม่ใช่สามารถไปหาคบตอบได้มันเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้คงจะเกิดมาพร้อมกับพัศิวัตรแล้วมั้งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ไม่รู้ก็คงจะหลายหมื่นปีอยู่แสนปีเมื่อเขาเชื่อว่าน้ำเน่ยซึ่งเราใช้อาบเนี่ยสามารถชำระร่างกายได้น้ำี่สั์สิทธ์ต้องชำระปาบที่เป็นมนคินกับเราได้เขาก็เลยใช้น้ำเป็นเครื่องชาระล้าง นั่นคือบุญในความหมายของส ม, มณพราพม์ในเวลานั้ น, น, นคนอินเดียจึงนิยมที่จะเผาศพริมฝังนะ่งแม่น้ำเผาเสร็จก็ลอยเท่าอังคารหรือกวา่าเท่าอังคารเท่าขี้เท่านะลงที่แม่น้ำเพื่อให้น้ำเนี่ยชำํำระมลทินแห่งบาปที่ติดอยู่ในตัวเขาแต่พระเจ้าโพงทร ง, รงตัดสรุ้หลักสัจติธรรม องทรงหัดล้างที่ถีิเหล่านี้ซึ่งมีอยู่ในข่าวพังนั้นผู้ย่อบอกว่าบุญที่องทรงสอนนั้นน่ะไม่ใช่อย่างที่เขาลงไปอาบน้ําล้างบาปบุญคือการล้างบาปในความหมายของพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่ล้างโดยไม่ใช่ล้างโดยเอาน้ําล้าง เ, เพราะว่าสุนทริกับพราหม์เนี่ยที่ไปอาบน้ําล้างบาปไม่ไมน้าําพงคาล้างเสร็จแล้วเขาก็เข้าใจตนเองไม่มีบาปติดตัวแล้ว ลอยเครื่องบริขารบริหารนั่นคือเสื้อผ้าตัวเองนุ่มไปตามกระแสแห่งแม่น้ำคงคาเพราะเสื้อผ้าที่ใช้ลงอาบน้ําในแม่น้ำโขงคาที่ตัวเองชำํำระล้างเสร็จแล้วเนี่ยห้ามนํากลับมาใช้จะมีมลทินกลับคืนมาต้องลอยไปตามแม่น้ําเสียให้ให้มลทินไปกับต้นบาบก็จะไปกับเสื้อผ้าชุดนะั้นนี่คือความเข้าใจและความเชื่อแล้วก็เชื่อที่เขาเข้าใจว่าเป็นความจริงแล้วเขาก็ยึดถืออย่างนี้มานมนานแล้ว ผู้เจ้ามาหาค้างทิถิอันนี้โดยการสนทนานกับสุนทริ ก, กับผังหรือโดย ก, การทำลอยน้ำเสร็จปั๊บโดยทําเนียมแล้วเมื่อล้างบาตรลอยล อ, อ, อยบริการลอยเสื้อผ้าตัวเองทิ้งหมดแล้วขึ้นมานุ่งผ้าใหม่เพราะนุ่งผ้าใหม่เสร็จปับ๊บเขาจะต้องนํำข้าวมะทุปายาตเนี่ยไปโปรยลงที่กองไฟเพื่อให้ข้าวมะทุปายาตเนี่ยระ เ, เหยไปถึงพระผู้เป็นเจ้าหรือว่าใช้การเส้นสวงเอาข้าวมะทุปายาต โปรโยไปเดินกองไฟโปรยลโปยโปยล ง, ยล ง, ยลงไฟนี้ก็จะทําให้เข้าวไม่รูปลายาดเนี่ยเลื้อยเหยื่อไปถึงพระผู้เป็นเจ้าภาษีบวะนที่ก้อนนับถือ่ประมาณนั้นหรือว่าบูชาพระพรก็ก็จะให้มาผู้ปลายาดไปถึงพระพรเขาเชื่อว่ามนุษย์กินอาหารพรก็ต้องกินอาหารมนุษย์กินข้าวเป็นคำคำพรก็น่าจะกินของพวกนี้ยน่าจา่างเขาคิดว่าอย่างนั้นแต่เขาไม่รู้ว่าพร ก, กินอะไรทีนี้ ภูรเจ้าก็บอกว่าอา๋อสนธ้นนกรามพอให้เข้ามาทูปปลายยอโปรยลงกองไฟเสร็จเป็นการเส้นสวมบูชาภูริเจ้าแล้วเขาก็กล่าวถึงบากของตนต่อหน้ากองไฟนั้นเพื่อให้พระภูริเจ้ารับทราบกล่าวว่าตนเองมีบาปอย่างนั้นอย่างนี้ขอภูริเจ้าจงรับรู้ทราบแล้วก็ทําให้เขาพ้นบนหินเสร็จเสร็จเสร็จสิ้นแล้วปั๊บข้าวมาทุปปลายยอดเหลือโดยทำเนียมของพราม์เนี่ยเขาบอกว่าเข้าวมาทูปปลายยอดทเหลือเนี่ย เขาจะไม่ให้บุคคลอื่นบริโภคตนเองก็จะไม่บริโภคออนะคือ mm hmm. เหลื อ, อ น, นี่ต้องให้คนอื่นแต่จะไม่ให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่าพามบริโภค mm hmm. จะต้องให้แค่เฉพาะผู้สิบถางเท่านั้น mm hmm. ก็เลยถือถาดพระมปปรรคปยาสแล้วมองหาว่าใครเป็นพราหมณ์พอที่จ ะ, ร, ะปปรับข้าวมรรคปยาสของตนเองได้ก็เลยไปเห็นพระเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นไม้ลิมฝังแม่น้ําคงคาแล้วเอาผ้าคลุมศีสษะอยู่เอาผ้าผ้าจีวร น, นี่แหละคลุมอย่างเนี้ไปอินเดียจะเห็น เห็นอย่างเงี้ยเยอะไอ้ช um ี่ท่านชายเนี่ยฮะผู้หญิงก็จะเยอะผู้ชายนี่ก็จะเป็นมีเหมือนกันก็จะเสร็จเป็นผ้าเป็นผ้าประเภทผ้าขาวม้าอะไรอย่างเงี้ยปุ่มว่าปุมลําผ้าเรื่องเงี้ยผู้เจ้าก็น่าจะทอย่างเงี้ยแหละอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำคุงคาก็เลยเอ๊ะภูมินี้ยน่าจะเป็นทางส่นทธิกาคิดนะผู้นี้น่าจะเป็นทางก็เลยเข้าไปหาเพ่อเข้าไปหาผู้ผู้เจ้าก็เปิด ก, ก็เอานี่มีสีสัล้นเนี่ยเป็นสมณะนี่ยไม่ใช่พาราหมณ์หรืออาจจะเป็นพาราหมณ์ก็ได้เนี่ยก็คิดในใจสมณะบางเราก็อาจจะเป็นพาราหมณ์ก็ได้คิดอย่างเนี้ยก็เลยว่าเราจะต้องไต่ถามคำบางคําเพื่อให้ทราบแน่ชัดว่าผู้นี้เป็นพาราหมณ์หรือไม่จึงโพดภาษาของพาราหมณ์ขึ้นซึ่งเป็นคําฉันภาษาของพาราหมณ์เป็นภาษา ในบทสวดของเราทุกวันเนี่ยแต่แต่พูดเป็นภาษามคตนะของเราใช้ภาษาโมคตนะแต่เป็นคําคําฉันแบบพรามอย่างเงี้ยคือมันมันเป็นมันเป็นคำที่เขาเรียกว่าอะไรเจนคําว่า <S <S <S อาเซวานาจะบาลานังปันดิตตานันเจเซวนางปูชาจะปูชนียานังเอตังมังกลมุตตัมังอันนี้เป็นคำนะอันนี้คือถ้าถ้าพูดภาษาอย่างนี้ออกไปปั๊บเนี่ยคือพูดเป็นบทเป็นกรอนคล้ายๆอย่างนั้นอะ พระศาสดาพูดใ้เจ้าเราก็ตอบประมาณด้วยคําฉันบุตรทางสลาณังกัจฉานีก็เป็นคำฉันนะทำบังสลาณังกัจฉามีเน่ส่วนจะเป็นคนําฉันทีนี้พอผู้เจ้าพูดตอบอางนี้ปั๊บพรามเลยอ๋อผู้นี้เป็นพรามนี่คือคือรู้กันเลยนะ่ะเขาก็จะมีความรู้กันอ๋อผู้นี้เป็นพรามนี่งั้นขอทา่านเชิญเชิญบริโภคความเาป็นผู้ปายอาออกความเป็นผู้ปายาให้ให้สวยพูดธเจ้าฉันแล้วก็ถามว่า ท่านนะ่ะทำไมนี่ไปลงรอยล้างบาตรอยเอ่อไปล้างบาตรในน้ำคงคาระ่ะพี่เอาก็บอกว่าเราลอยแล้วเราล้างแล้ ว, ลอลวเอาล้างอะไรทไี่เห็นตัวเปียกเลยนะเครื่องบริหารท่านที่ท่านรุ่งอยู่เนี่ยเสื้อผ้าอะไรของท่าน่ะก็ยังเห็นนุ่งอยู่ทําไมไม่ลอยไปทำไมน้ำคงคาระ่ะอ๋อการล้างบาปของเราไม่เหมือนการล้างบาตของท่านการล้างบาปรของท่านนะ่ะท่านจะต้องลงไปอาบน้ำล้างบาปรใช่ไหมแต่การล้างบาตของเราไม่ได้ล้างแบบนั้นไม่ได้ชำระล้างแบบนั้น เอาแล้ท่นล้างยังไงล้างบาปยังไงพระเจ้าป่บอกว่าเราล้างมิจฉาทิฐิด้วยสมาธิฏฐิล้างความเห็นผิดด้วยความเห็นที่ถูกต้องล้างมิจฉาสังกัปปะด้วยสมาสังกัปปะล้างความคิดที่ผิดด้วยความคิดที่ถูกต้องล้างมิจฉาวาจาด้วยสมาวาจาล้างมิจฉากัมมันตะด้วยสมากัมมันตะล้างมิจฉาอาชีวะด้วยสมาอาชีวะล้างมิจฉาวายามะ ด้วยสัมมาวายามะล้างวิชาสติด้วยสา ม, มาสติล้างวิชาสมาธิด้วยสา ม, มาสมาธิล้างมิชาทิฐิอย่างไรรอ่บุคคลผู้ตั้งผู้มีทิฐิความเห็นว่าโลกนี้มีสุขผู้ยาก็าล้างออกไปมันไม่ได้มีสูขมีทุกข์บางคนไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจในสิ่งที่พวงทรงทร ง, ทรงบอกให้เราได้เข้าใจคําว่าคาว่าล้างเนี่ยคือบุญในความหมายพุทศาสนาคือเราล้างบาเปเหมือนกัน ผู้สนัสนสอนให้ล้างบาปนะแต่ล้างให้มันถูกแสดงว่าบาปนันล้างได้ถ้ามันล้างไม่ได้คุเจะไม่สอนให้ล้างหรอะมันล้างได้บาปที่คนทำไม่ใช่เป็นของติดตัวไปตอดตลอดการร้อยการนานหรือเ่าคือมันเป็นของตายตัวอยู่กับตัวคนมันไม่มีอะไรตายตัวมันล้างได้มันก็ล้างได้เหมือนของศิลปะแต่ต้องใช้หลักหลักปฏิบัติให้มันถูกต้อง ละความความเชื่อด้วยสามาที่ถี่เชื่อที่ผิดวิชาที่ถีคือความเชื่อที่ผิดเช่นเชื่อว่าบุญไม่มีบาปไม่มีผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีการให้สิ่งของอันเป็นปัจจัย4ี่เาเรียกว่ายันยักการการการยันการการทำยันทํายันคือการทําบุญนะในความหมายทําบุญคือให้สิ่งของด้วยปัจจัยสเรียกว่ายันยักเห็นว่ายันยักไม่มีผล <ฆ><า>เห็นว่าการหูกตังคือการเสร้นสวงเส้นสวงนี้คือการสักการะสักการะนี้คือไม่ใช่สักการะทั่วๆไปคือสักการะในความหมายว่าเคาลบนอบน้อมสิ่งที่ควรค่าแก่การเคาลบนอกน้อมเช่นบุตรเคาลบพ่อแม่เคารบปู่ย่าตายายเคาลบคนคนด้วยกันคือเคาลบกันเองอย่างเช่นพวกเรามามาหากันก็ยกมือไหว้กันอันนี้ก็คือว่าเป็นเส้นสวงสักการะมันจะมียันยะ ก, กับหูกตังในความหมายที่ที่มีในบาลีนะ หูยันยะคือให้ปัจจัยสี่เป็นยันบูชายันหูตังคือการเส้นสวงเช่นการเคารพสักการะกันเช่ น, น, ช น, นถึงวันสำคัญทา ง, ทางทา ง, ท, างทางทางไทยเราประเพณีใช่ไหมอะไรสโสภาล้วก็จะไปดําหัว<ม>อันนั้นก็คือเป็นหูตังนะ<ม>หูตังสักกาะขอของมาอะไรกันเนี่ยประมาณนนะั้นเะขอไปให้กเป็นยันยักด้วย<ม>เป็นทั้งสองอย่าง ทีนี้คนไ ป, ไปขเข้าขขใจเขามา ย, ยันยันคือบูชา ย, ยันแบบแบบยันอ่ะหรือว่าสักการะก็เส้นหมุตตั้งในเส้นสวงก็แบบตั้งของเส้นไหวเขาปริจาะอะไรไประเภทเนี้ยเขาเขาเขาก็าจะผิดภาษาเปลี่ยนความหมายเรานั้นใหม่ในสิ่งที่คนอินเดียเขาทาอยู่ใช้สามตัวเดียวกันพรามณ์เขาทำอยู่ผู้เยาวเปลี่ยนใช้ตัวเดียวกันใช้ภาษาเดียวกันแต่เปลี่ยนความหมาย ของการทำยันกับการเส้นสวงใหม่แต่ทีนี้ก็มีให้เราเห็นู่วันนี้ทา น, นที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนแล้วนะแต่พุทธสาวกับไม่ได้เปลี่ยนตามหลักคำสอนยังยึดถือหลักของพรามหรือว่าหลักของอพิธีกรรมเข้ามาอยู่ในกิจของการปฏิบัติในศาสนาอยู่อันนี้ถือว่าผิดโดยความคิดของอาตมานะหรือทัศนะที่อาตมาอมองอาตมามองว่าผิด แต่จะถูกหรือผิดไม่ได้ว่าแต่ว่าทัศนะของตัมมาเองหากเทียบกับหลักธรรสอนเรื่ผิดเชื่อคุณขอบิดาว่าบิดามารดามีคุณจริงมีคุณต่อบุตรมีคุณค่ามหาศารเลยนะสามารถให้คุณให้โทษกับบุตรได้บิดามารดาเมื่อบิดามารดาตั้งกิจอนุเคราะห์บุตรด้วยน้ําใจอันงามอยู่เสมอบุตรก็ถึงความเจริญเมื่อบิดามารดาไม่ตั้งกิจอนุเคราะห์ด้วยบุตรด้วยน้ําใจอันงามเสมอเนี่ยบุตรก็ไม่ถึงความเจริญลูกจะทํา ยังไงก็ตามภาพเขียนยังไงก็ตามแต่ถ้าบิดามารดาคิดอยู่ว่าอย่าให้มันถึงความจเจริญเลยให้มันชีพหายไปบอดคนนั้นก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยถ้าพ่อแม่ได้ไ ด, ได้ได้ด่าไว้นะแล้วก็เรียกว่ามันเป็นธารมนองแช่งชเอาจริงๆินะเป็นอย่างนั้นจริงเพราะพ่อแม่มีคุณค่านะคุณค่าตบุฏจริงจิงคือมีทั้งคุณทั้งโทษนั่นแหละบุคคลผู้ตัดสรุปเ ป, ป็นนักตัดสามสมพุทธมีคือเข้าถึงมรรคอะมีนี่คือความเชื่อก ที่ถูกล้างไปหมดคือคนที่ไม่ได้เชื่อในหลักเนี่ยถูกล้างไปหมดแล้วก็ต้องเชื่อว่าทุกมีเพราะมีเหตุแล้วทุกดับไปก็หมดเหตุและปฏิธีปฏิบัติต่อทุกปฏิบัติโดยการรู้ปฏิบัติต่อเหตุโดยการรับปฏิบัติต่อความดับไปของเหตุโดยการทำให้แจ้งอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องตั้งขึ้นมาเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วล้าง ความเห็นที่เห็นอยู่ในจิตในใจมาตลอดว่าทุกเกิดขึ้นมาเพราะพระพู้เป็นเจ้าบนต้นบันดันสิ่งนี้รับทําให้เราเกิดความทุกข์อันนั้นทําให้เราเกิดปัญหาของชีวิตอันนี้ทําให้เราเกิดปัญหาของชีวิตเนี่ยพระเจ้าบอกว่าอันนั้นเป็นมิจฉาทิฏตัญหาต่างๆที่ก่อให้เกิดทุกข์ไม่ใช่พระอิศวรไม่ใช่ผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ผู้มีฤทธิ์บนบันดานตัญหาต่างๆที่ทําให้เรามีความทุกข์ เราบอกเอาจะเป็นตัณหาได้ยังไงเพราะเรื่องบางเรื même, out. Out. ่ไม well, ่ได้เกิดจากเราความทุกข์บางประการเกิดจากคนอื่นแช่นเขาขับรถมาชนเราปึ้งเราไม่ได้ขับชนเขาก็เหยีดมาจากเขาเสร็จแล้วมันลงมามันแทนที่จะขอทนเรามันโมวยโวยวายกับเราหรือไม่ก็บอกมาคด้วยอะไรก็ได้ขับก็ใจไงว่าอะไรขุนตีนขุนอะไรกันใช่ไหมอันเนี้เราก็เอ้ามันความทุกข์เหล่านี้ไม่ได้เกิดจากเราตัณหามันไม่ได้เกิดจากเราหน่มันเกิดจากเขาตัณหาไหนบอกว่าเกิดจากตัณหาของเราเอง ผู้เจ้าไม่ได้บอกว่าเกิดจากปัญหาของเราอย่างผู้เจ้าทุกเกิดจากตัญหาถูกต้องไหมไม่ตัญหาของเราก็ตัญหาของคนอื่นะตัญหาของเขามีใช่ไหมตัญหาของคนอื่นก็สามารถสร้างทุกข์ให้เราได้แต่ที่ในที่ทางเราเรารู้จักทุกที่มาจากตัญหาของคนอื่นรู้ว่ามันเหตุมาอย่างนี้ยมันมีทุกอย่างนี้แล้วเราไม่สร้างตัญหาเพิ่มเราก็ไม่ต้องทุกข์เพิ่มทุกมันก็มีอยู่เท่านั้นเพราะนั้นผู้เจ้าบอกว่า ให้รู้จักทุกว่าทุกเพราะมีมาเพราะมีเหตุเหตุคือตัณหาแล้วตัณหานี่ก็สามารถดับได้ไม่ใช่ดับไมได้เมื่อตัณหาดับได้เราก็ทําการละละไม่ใช่ว่าละตัณหาที่เกิดขึ้นแล้วนะไอ้ตัณหาที่เกิดขึ้นแล้วมันละไม่ได้หรอกเพราะมันก่อให้เกิดทุกข์แล้วละตัณหาตัวใหม่ที่จะเกิดจากตัณหาเดิมที่มันมีเมื่อตัณหาใหม่ไม่เกิดดับไปปั๊บไอ้ตัวนั้นมีปัญหามาฝ่ายเดียวปั๊บล้วก็นิ่งเราไม่สร้างตัณหาคือ่ไม่ใช้ตัณหาเพิ่ม สุดท้ายก็จะสงบเองนี่คือความดับไปของเหตุที่สามารถดับไปได้อย่างนี้ควรทำให้แจ้งแกมแก้งอยู่ในความรู้สึกของเราเลยนีย้เพราะนั้นสมาธิมันจะล้างวิ ช, ชาธิถีออกไปจากจิตออกจากความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดทั้งปวงเราจะไม่โทษอะไรใครเลยในโลกนี้เวลาเรามีความผูกไม่โทษใคร ผู้ใหญ่บอกว่าอย่าไปโทษใครโทษใครก็ไม่ได้โทษโทษใครก็ผิดโทษตัวเองก็ผิดโทษคนอื่นก็ผิดโทษอันนั้นอันนี้ก็ผิดถ้าจะให้โทษผู้ใหญ่บอกว่าให้โทษวัฏสงสารขั้นการเรียนใบตัดเกิดที่เรายังหาข้อยุติกับมันไม่ได้อเราเราดันเกิดขึ้นมาเองอ่ะทําไมอ่ะก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละจะเกิดซิอาจารย์คุณของวัฏฏะกับข้อของวัฏฏะคุณวัฏฏะนี่ไหม ผู้ดเจ้าไม่เคยบอกว่ามีคุณนั้นปาตานี้ไม่ไม่พูดแบบมันมีคุณให้ค่ะผู้เจ้าบอกให้กล่าวโทษโดยวันถ้าไม่กล่าวโทษมันไม่ไหวก็จะออกจากมันไม่ได้มันเวียนอยู่ตลอดปาตกการเวียนใช่สงบๆนะอาจารย์ถ้าถ้าเห็นจริงเอาอยังงี้ดีกว่าเวลาเรามีความทุกข์แล้วเราคิดแต่อยู่ในเรื่องความทุกข์วนเวียนอยู่างนั้นมันปาตตานแล้วนะมันเวียนอยู่ในความคิดอย่างนั้นคิดแล้วคิดอีกทั้งทั้งที่มันเป็นเรื่องที่มีความทุกข์แต่เราก็คิดให้ตัวเองทุกข์อยู่อย่างนั้น กลับไปกลับมามันมีคุณหรือเปล่าล่ะอันนั้นไม่คุณมันไม่มีคุณเพราะฉะนั้นแล้วไม่ได้จะจึงให้รู้ไงให้รู้จักให้รู้จักหรือว่าเข้าใจว่าโทษของวัฏเนีย่ยมันนํามาซึ่งปัญหาต่างๆในชีวิตของเราในการเกิดฉะนั้นแล้ว <c oughs> ปัญญาตอนนี้ต้องถูกล้างออกไปเห็นบุญในความหมายพระเจ้าคือสัมมาทิฏฐินี่เป็นบุญแล้วถ้าเราล้างออกไปได้เพราะฉะนั้นเพื่อเราเชื่อ อย่างแน่ชัดตามหลักคำสอนด้วยเห็นและผลชีวิตมีความทุกข์อะไรจะสามารถบรรเทาทุกข์ได้บาปบรรเทาทุกข์ได้ไหมมแต่จะเพิ่มทุกข์ให้มากกว่าเดิมใช่ไหบุญเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ได้เราทําเราจึงต้องทําบุญทีพระพุทธเจ้าจะบอกว่าทาบุญบุญเนี่ยคือความชำระล้างทาบุญเพื่อล้างอะไรให้ทานล้างอะไรไ <ป S 1> ล้างความตดิ<ป>ลักษาสศีรล้างอะไรล้างโทษห้าประการที่เราได้ ผ่านทางการมำลไปทำสมาธิล้างอะไรล้างความวุ่นวายที่ก่อให้เกิดความไม่สุบในภายในปัญญาล้างอะไรล้างความเห็นผิดที่เคยยึดถืออยู่ภายในกายในจิตของตัวเองว่าเป็นเราเป็นของเรามีมุตล้างอะไรล้างภบชาติในจิตที่มันก่อภบก่อชาติอยู่ภายในมันล้างตลอดเลยทุกเจ้าหลักล้างสอนให้ล้างตลอด มันล้างได้ทำไมจะล้างไม่ได้นอกจากไม่สนใจที่จะล้างมันก็เป็นบาปติดอยู่อย่างนั้นอ่ะคนไม่สนใจที่จะอาบน้ํากอดคอมโซโกก็ติดอยู่อย่างนั้นใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีปัญญาเรารู้ว่าอ๋อทําบุญเพื่อล้างอย่างนี้นี่เองแล้วเมื่อล้างเสร็จแล้วกายก็สบายแต่ใจของเราเนะี่ยล้างด้วยอะไรเวลาบาปเกิดขึ้นอาจิตหนึ่งมันเกิดอกุศลขึ้นนะ่ะล้างด้วยอะไร ล้างด้วยกุศลล้างด้วยกุศลนั้นจัดเป็นจัดเป็นบุญใช่ไหมล้างด้วยกุศลนั้จัดเอาคือว่าเอาบุญไปล้างบากอาบุญไปล้างบาปการที่เอาบุญไปล้างบากอาบุญไปล้างบากอาบุญไปล้างบาปเนี่ยมันยังยุติครบชาติไม่ได้เพราเราจะต้องทําบุญล้างบาปทาบุญล้างบาปทาบุญล้างบาปอยู่อย่างเงี้ยแม้จะเป็นบุญในทางพุทธศาสนาก็จริงอยู่ แต่ทำบุญล้างบาปทำบุญล้างบาปทุกภพทุกชาติทุกภบทุกชาติทุกภบทุกชาติก็ทำอยู่อย่างนี้ทำบุญล้างบาปทำบุญล้างบาปมันไม่เบื่อหนายกันเลยมันก็อยู่ในวัฏางดีนี่แหละไม่เบื่อหน่ายกันไหมถ้าถ้ายังทำอยู่ตลอดชอบก็เขาไม่เบื่อมากจริงถ้าไม่เรียนทำมันไม่เบื่อหรอกชอบมันเป็นส่วนมันต้องชอบอ่ะทำมุลมูลอะไรการทำทานมันเป็นบูลทานเนี่ย มันเกิดมาเป็นเศรษฐีมันกรตเตะีนความเป็นเศรษฐีนี่มันจะมันจะไม่เบื่อมันไม่เบื่อ <c oughs> ถ้าคนไม่ภาวนาไม่มีทางแล้วแล้วคนในครั้งผู้ดการที่เป็นเศรษฐีทําไมเขาดู น, ขาขานี่เขาเคยภาวนามาก่อนแล้วอ่าก็แสดงว่าแสดงว่าผูด้ดศาสนาของเราเนี่ยสอนเป็นลําดับเป็นลำดับเบื้องต้นต้องทําบุญลาบากก่อนใช่ไหมอย่างเช่นสอนยะศาตร์ยะศาตร์ที่เป็นรูปของเศรษฐีน่ะที่ว่าที่นี่บุญใบน้อที่นี่ขัดข้องน้อเศรษฐีแล้วน่ะ พรลูกเศรษฐีนั่นน่ะทไมมันวุ่นวายมันขัดข้องตังไหนลูกเศรษฐีอ่ะขัดข้องยังไงอ่ะเศรษฐีพันล้านสมบัติก็นั่นก็นั่นอาศัยกิจสกุลระบุนั้นก็ซับก็ต้องเยอะแยะมากมายพ่อก็จะมอบมอบให้หมดเลยาบอกว่ามวุ่นวายอ่ะมันขัดข้องเงิเข้าเบือเือแบบนี้ก็ไปทา่เนเบื่อแบบนี้ไปทากนีมันเป็นสีดาหรอกอาจารย์มันเื่อมนมันไปเป็สีดามันไปรัไปโดนะไปาใจครับ ในส่วนของนี่ยตอนนี้ในส่วนของนายคุณะาละนายคุณะที่บอกว่าเขาเจอพระสารีบุตรนะครับแต่ทําไม่ น, าน่าจะเขาเจอผมไม่รู้ชื่อว่าอะไรแต่เขาพูดในใจว่าจะเจอพระแต่ไม่มีอาหารให้แต่ตอนนี้เรามีทั้งอาหารทั้งข้อวที่แบบนายคุณนะนายคุณนะณนะก็เลยยกถวายมาสีฟ้านให้ก่อนอันนี้อ๋อนายคุณานะนายคุณะครับ ที่เป็นขุนโจว น, นะครับเป็นชาว น, <ะ S 2> น, นา น, นี้ท่านก็มาสิบวันให้กับพระสารีบุตรก่อนพระสารีบุตรก็คิดว่าถ้าเราจะไปนั่นตอนนี้นะครับใจยชาวบ้านก็สายบาตรก่อนว่าท่านออกจากนิโรธสมาบัติมานะภรรยา ก, ก็เอาข้าปลาอาหารเนี่ยที่ในพิณ้าที่รังหิวเนี่ยก็ไปให้พระสารีบุตรนะครับต่างคนก็ต่างว่าเขาทําบุญทาบุญทาบุญแต่ก็บอกว่าทาบุญนกัน จะกรธเเลยนะเพราะเราเอาข้าวอาหารเนี่ยให้กับพาบไปแล้วนะนายผู้นักเขาคิดว่าจะโกรธวพาะหิงจัดทำไรทำนามาก็กล่าวว่าจะเอาผาเหลืออะไรต่างๆไปตีผมว่าเราไม่ตีนาย้นักถูกแล้วนายผู้นักเขาก็เลยกลับแปเอาบ้านที่มีอยู่ของของเดิมเนี่ยก็ให้กินพอพอกินเสร็จแล้วก็หลับไปพอตื่นขึ้นมาทุกอย่างไปทองหมดตรงนี้ผมเลยถามคุณสัยว่ามันเกิดจากลักภาพของ ของท่าท่าสัตยบุตรหรือเกิดจากบุญเก่าบุญจาให้กับอสองพ่อเมียพันธญาณนี้ได้รับผลบุญในครั้งนี้เป็นบุญที่อํานวยผลจากฌานสมาบัติบุคคลผู้เข้าฌานสมาบั ต, สบติสามารถกระทําบุญของบุคคลผู้ให้ทานในวันนั้นสําเร็จผลในวันนั้นเลยอันนี้เป็นกรมีพิเศษที่จะตอบสนองผล อาจารย์ก็ได้ให้สิทเลยอาจารย์ก็นั่งทานนั่งสมสักักนต้องเจวันเจวันใช่ตไได้ไมไม่ได้ไม่ได้ต้องเจ็วันเลยต้อง7วันเาเาเวลานั่งจริงาต้องต้องล้างตัวให้สะอาดถ่ายเไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวต้องเจวันถึงจะเอืมมผลได้นั่งนั่งไปนั่งทั้งวันทั้งคืนไม่ออกจากสมาบัตเลยใช่ไหมใช่ทั้งวันทั้งคืนกาหนดไว้7วันไม่เปลี่ยนอริยาบถในอิริยบทเดียว เขาโซมันมามากแต่พิจารณาได้นะมุญาตัดขันเป็นนี่โสมาบัตไหมเป็นก็เนที่โรดสมาบัตไม่ใช่ตบัตม่เป็นสมาบัติำอะไรต้องเป็นผ้านี้าละหันไปแ้วผ้าอะไรก็ได้หรือต่งอะไรก็ได้ก็เท่าที่มีในประวัติของพระเถรานุเถระครั้งก่อนก็เห็นเฉพาะผ้าลหันที่ท่านเท้าเข้านะ ไม่คือปากรว่าเห็นพระอาคารมี้ถึงแม้พระธนาคามีเข้าก็ไม่ออานวยผลเท่ากับพระหงเขาเอาตามตามีาปใช่อันนี้เป็นจริงยืนยันนอกจากนี้แล้วมถ้าเปลี่ยนจะเป็นภาพสารเป็นภาพทั่วไปครับไม่ได้อ๋อภาทั่วไปเหรอ ถ้าเป็นพระรหันต์ก็ได้มหากัะสปักท่านก็ยังเข้านิโรธสามาบัติเลยแล้วก็จะไปโปรดยายเผ่าสองคนอันนี้คือท่านโปรดเพื่อที่จะอทําให้เขาค้นจากความลําบากเขาเารียกอุดมเพาะคนยากไร้ทุกข์ตักเข็นใจจะไม่ไปโปรดกับพวกมีเศรษฐีพวกมีเงินมีทองอะไรกนไม่ไปโปรดไปโปรดแต่พวกทุกข์กระตกเห็นใจปรากฏว่าไปยินมาดัากไซบา แกเป็นคนแก่เท่างกงมาใส่บาตรมันได้ผลไงมิบาไปขโมยบุญเข้าเนี่ยไม่ใช่ขโมยบุญก็ท่านก็มาทําบุญนั่นแหละตหแต่ท่านก็เท้าสากาเทวราช ท, ท่านยานเก่งไงท่านจะหมดบุญอยู่บนสวรรค์ไงจะหมดจิต จ, จุติจากเทวโลกน่อยากพ้นจากตําแหน่งมาต่อยุอย <c oughs> ก็ลงมามาต่อายุใส่บาตรเสร็จเากได้ไปอยู่ราวดึงต่อไง ก็ออกเอาเปรียแต่ก็อยู่ได้ไม่นานไม่เหมือนมนุษย์มนุษย์เองอยู่ได้ทั้งชีวิตนะแต่เทวดาแม้จะให้ผลในวันนั้นนะแต่ก็อยู่ได้ไม่นานไม่เหมือนมนุษย์เราได้อยู่แต่ไม่มากไ ม, ไม่เหมือนมนุษย์มนุษย์ได้มากพออยู่ต่อไปอีกจะบทบุนอีกจะมาหาพหาระสหัสสปาอีกไม่ได้แล้วมหาสสปาได้ใช่ละมหาบุพิตมาอย่างนี้ มาด้วยความไม่ชอบทำนะนี่ต่อไปนี้อย่ามาอย่างนี้อีกนะเราต้องการจะโปดพวกคนเข็นใจท่านเป็นถึงกับสักการเทวราชอย่างบักใส่ปากทําบุญเพื่อเอาบุญของชาวบ้านทุกอย่างไล่ไปก่อนคือผู้าจะมาดุแล้วสักการเทวราชก็บอกว่าพระยิ่งโอใครจะเข็นใจเท่ากับข้าข้าพเจ้าข้าข็นันเป็นพระอินนะยังเข็นใจเลยทําไมอ่ะ ก็จะบดจักบุญจับเทวาโลแน่พอจะบดอีกครั้งที่สองก็ไม่รู้จะไปหาใครก็ไปหาผู้ได้จ้าไปหาผู้ไดเจ้าผมไปหาผู้ได้จ่าผู้ได้จ่าก็บอกอ้าวมาหาพระิดปกติมีกิจมากพลุลามากไม่ใช่เหรอวันนี้ทําไมมาล่ะเยอะเยอะหน่อยผู้ได้จ่าปกตินิการงานเยอะไม่เห็นเลยมาทําไมอะมันมันจะการงานเยอะแค่ไหนก็ตามบุญมันจะบดใช่ไหมอยู่ไม่เป็นสุข เทพดาได้ก็เดือดร้อนกันนะก็มาต่อด้วยบุญอีกนั่นแหละบุญนั้นจะเป็นเครื่องบันเทาทุกข์และก็พยุงให้ชีวิตต่างๆมันดีขึ้นสุดท้ายแล้วก็ได้เป็นพระโสดาบัน<อ>พระโสดาบันยังอยู่เลยทุกวันนี้อยู่บนนั้นน่าจะอายุไหมฮะมโสดาบันยืดยาวนานเลยที น, น, นี้มีแต่จะไปในเบื้องหน้าไม่ตกต่ําแม้จะหมดจากดาวดึงก็ขึ้นไปสู่ชั้นผมต่อไม่ต่ําก็เดิมมีแต่สูงสูงสูงไปเรื่อยจนสิ้นอาสาภกิริย ไม่บำเพ็ญก็บรุกพวกนี้เพราะฉะต้องให้ได้โซดอบ้าใช่เพราะเที่ยงแค้ที่จะเป็นไปในเบื้องหน้าเที่ยงแค่ที่จะบรุกในเบื้องหน้าแน่นอนทีนี้เข้าใจความบุญในทางภูษาอย่างทำไมเราต้องทำบุญและมีคุณค่าคุณค่าอย่างไรถึงจะทําให้เราได้ไปทําขนาดนั้นทุกขณะของชีวิตของเรานะ ปรุงแต่งด้วยบุญและทุกขณะของชีวิตของเราปรุงแต่งด้วยบาปมันขึ้นอยู่กับว่าบุญกับบาปอะไรจกให้ผลในช่วงจังหวะที่แทรกเข้ามาตามกําลังของบุญและบาปอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะที่ชีวิตของเราจะได้รับอะไรในวันข้างหน้าก็ขึ้นอยู่กับบุญและบาปที่เราเคยทําทั้งหมดที่จะมา อำนวยผลหรือผักดันชีวิตให้เราได้เป็นไปจะเจอสิ่งดีหรือเจอสิ่งที่ไม่ดีและเหตุปัจจัยที่จะอำนวยผลให้ได้ทันเช่นบุญมากับบาปมาพอๆกันมาจ่อกันอยู่เนี้ยกําลังจะให้ผลอยู่เนี่ยมันจะเอาอะไรมันจะให้ก่อนให้หลังเนี่ยมันขึ้นอยู่กับขณะจิตเช่นคณะแห่งจิตคิดเรื่องอกุศลมันจะดึงอกุศลมาก่อนอขณะแห่งจิตคิดเรื่องกุศล กูสนก็จะดึงไปก่อนคือจะจะเอาเงินผลก่อนเนี่ยใช่ฉะนั้นแล้วในวันหนึ่งเราลองทบตัวดูเราคิดเรื่องอะไรเด็มมากกว่ากันกุศเด้อกูสอกุศมันก็มากครับมันก็เลยดึงเรื่องที่มันเป็นอกุสนต่อมาในชีวิตเยอะมากเลยนเหมือนไปที่เขากำลังจะได้เงนอะเอามันน่าแปลกไหมว่าเออทาไมเราเราก็ทาบุญมาเยอะทไมเราคิดถึงเรื่องบุญได้ยากจัง น่าแปลกไหมเพราะเราไม่เข้าใจเรื่องของบุญเราไม่ได้ทําบุญออกมาจากจิตหรือความรู้สึกของเราจริงๆเราทําบุญเพราะผู้นั้นพาให้ทําผู้นี้ชวนให้ทาผู้นี้บอกให้ทำพ่อแม่ปู่ย่าพญ า, าพาทํานึกถึงวันเกิดและอยากจะทําบุญขึ้นมาเฉยๆแต่ไม่ได้ทําออกจากสติและปัญญาและความรู้สึกและความทราบซึ้งออกจากจิตใจจริงๆมันจึงไม่เป็นเรื่องที่เราจะเป็นของตาตึงหรือเป็นอารมณ์ในจิตในเรื่องของศุลธรรมได้เลย ทำไมนางวิสาขาถึงขอพรขอพระพเจ้าต้องแปดประการขอว่าข้าพเจ้าองค์ได้ให้ทานกับภิกษุผู้มาสู่เมืองนี้ใครภิกษุรูปไหนก็ตามมาสู่เมืองนี้ให้มารับทานที่บ้านนางวิสาขาภิกษุใดก็ตามขอให้ข้าพเจ้าองค์ได้ถวายทานแก่ภิกษุรูปใดก็ตามที่จะออกไปสู่เมืองอื่นภิกษุไหนก็ตามจะจาริกไปสู่เมืองอื่นให้มารับทานที่นี่เพราะท่านจะยุ่งกับการจัดบริขารมละก็ไม่มีเวลาไปพิกขาจาริกเพือขอปิดาบากให้มารับทานที่นี่เลย ก่อนคือมาฉันที่บ้านตรงนี้ก่อนจะเดินทางไปภิกษุรูปใดก็ตามอาพาธก็ไม่ต้องไปบิณอาบาดมาฉันอาหารบ้านของข้าพระองค์เนี่ยพ<ม>ิกษุรูปใดก็ตามที่ดูแลพิสูุอาพาธก็ไม่ต้องไปบิณอาบาดมาด้วยกันเนี่ยก็มารับฉันคือขอต่างๆเพื่ออะไรพระนางอิสาขาบอกว่าเมื่อข้าพระองค์ได้นึกถึงทานอันที่ตนเองได้ให้แก่พิกษุเหล่านี้ที่มาสู่เมืองของข้าพระองค์เนี่ย เมื่อข้าพระองค์ทราบว่าพิสูจนเหล่านั้นบรรลุโสดาบันสักการคามีนคามีอรหันต์จิตของข้าพระองค์ย่อมเกิดปีติปีติย่อมนำมาซึ่งความสงบระรับความสงบระรับย่อมนำมาซึ่งสมาธิสมาธิย่อมนำมาซึ่งอุเบกขาอุเบกขาย่อมทําให้ข้าพระองค์เห็นธรรตามความเป็นจริงคุณเจ้าก็เลยมีอย่างให้อุเบกขามืนางวิสาขาหมายถึงไรวิสาอุกาอุเบกขา ก็มันเป็นองค์องค์ของโพชฌงในจิตของพระโสดาบันอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วองค์โพชฌงในจิตจะมีอยู่ในจิตของพระโสดาบันทุกทุกดวงทุกทุกคนไม่มีจิตของพระโสดาบันใดเลยที่ไม่มีองค์โพชฌงในจิตมีหมดมีมากมีน้อยใช่มีมากมีน้อยต่างกันอยู่ที่ว่าระลึกถึงบุญกุศลนั้นได้มากหรือน้อยต่างกันพระโสดาบันถึงแม้จะระลึกถึงสิ่งที่เป็นอกุศลก็ไม่ตกต่ำ แต่ปุถุชนแล้วลึกถึงที่เป็นอกุศลตกต่ำแต่พระโสดา บ, บันจะไม่ตกต่ำเป็นนิยะตะบุคคลผู้เที่ยงแท้แล้วที่จะมุ่งไปสู่ความหลุดพ้นในเบื้องหน้าจเจริญไทยเดียวมันไม่เสื่อมเลยบุคคลที่ไม่เสื่อมคือพระโสดา บ, บันพระสกทาคารมีพระนาคารมีอภารบุคคลที่ยังเสื่อมอยู่ก็คือพระโสดาปุถุชนถึงแม้จะเป็นปุถุชนผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมแต่หากยังปล่อยจิตให้ไปนึกถึงอกุศลอยู่บางทีเราไม่ได้ปล่อยดอกมันไปเองใช่ไหม ร เ, เนี่ยฉะนั้นเราต้องรู้เรื่องของบุญและเราต้องรู้ว่าบุญเกิดขึ้นได้แม้ขณะแห่งจิตที่เป็นอยู่ภาวะปกติที่เราใช้ชีวิตถ้าเรารู้จักอา้าวแล้วแล้วมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงก็จิตที่เราละลึกถึงอ่ะละลึกถึงอะไรในขณะที่เรายืนเนนั่งนอนกินดื่มทําพูดทิศละลึกถึงอะไรเนี้ยอยู่ที่สัญญาณการละลึกของจิต นึกถึงอะไรถ้านึกถึงการงานที่เราทำและจาัด ก, การงานนั้นให้ดีก็เกิดเป็นบุญถ้าไม่ยอมทําการงานที่ทำให้ดีเป็นบาปเน่เมื่อเราจัด ก, การงานที่เราทำให้มันดีให้มันถูกต้องให้มันเป็นไ ป, น ป, น ป, นปนตามหลักเกณฑ์บุญก็เกิดขึ้นทุกๆขนาดแห่งการกระทำหายใจเข้าเพือพ่อนึงบุญก็เกิดขึ้นภายในกระแสจิตเลยว่าขึ้นมล ห, ห, ออกก ห, หายใจออกบุญก็เกิดหายใจเข้าบุญก็เกิดหายใจออกบุญก็เกิดเพราะการจัดการงานดีเมื่อเรารู้อย่อยางนี้แล้วจิตเราก็ถูกปรุงแต่งไปด้วยบุญอยู่ตลอดเวลามันก็จะดึงสิ่งดีๆเข้ามาอกุศลที่มาถึงก็รออ ย, อยู่ยังไม่ให้ผลก่อนเหมือนกับโคที่อยู่ปากท่อยังไม่รับผลก่อนต้องออกออกไปก่อนให้ผลก่อนโคตัวอื่ น, นแม้จะแม้จะมาเบียดอยู่รอหน้าหน้าหน้าปากท่อก็ตามแต่ตัวที่อยู่ ข้างหน้าจิางจะได้ออกก่อนหมายถึงว่าบุญกุศลที่เกิดอยู่ภายในตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวดึงจิตของเรานี่เองขณะที่เป็นกุศลจะดึงกุศลเข้ามาขณะที่เป็นอกุศลจะดึงอกุศลเข้ามาอัตมาจึงสอนให้โยมท่านหนึ่งไปทําอย่างนี้จริงจริงอัตมาสอนเรื่องนี้มานานแล้วเนะี่ยแต่มาสอนคือเข้ามาขอการแนะนําก็เลยแนะนําเข้าไปว่าจะทำยังไงอัตมาก็เลยแนะนําให้ทําอย่างนี้ี้ติดต่อกันเ็ดวันนะนึกถึงแต่สิ่งที่เป็นกุศล อ, อย่างเดียวเจ็ดวันจะเอาอะไรเขาบอกงั้นผมขอเลือกนึกถึง คาราาไนเจ็ดวันเขาบอกสองวันสามวันแรกเนี่ยมันควบคุมยากเหลืเเอเกินเพราะว่ามันก็แวบไปแวบไปแวบไปกับทั้งที่เราตั้งเจ็ดตั้งธัมิตเป็นกุศลแต่ก็แวบไปแวบไปพอถึงวันที่สามที่สี่สบายนะพอครบเจ็ดวันเขาก็บอกโอ้โหมันเปลี่ยนจริงๆพระอาจารย์มันดึงสิ่งที่เป็นกุศลเข้ามาในชีวิตได้เพราะฉะนั้นแต่เราก็ต้องเข้าใจอีกนะว่ากุศลมันเพียงแค่เครื่องบันเทาทุกข์ เรื่องบรรเทาทุกข์ยังไม่ใช่ที่สุดแห่งทุกข์หรือไม่ได้เป็นตัวดับทุกข์ตัวที่จะดับทุกข์ได้คือปัญญาและบิมุต์ตรงนี้อาจารย์ครับคําว่าปัญญาที่อาจารย์พูดนะครับการที่ผู้ปกครเองเนี่ยทําทุกวันคิดถึงเรื่องของกุศลทุกวันกับละลายทุกวันคิดเรื่องของกุศลทุกทุกวันนี้คือวันหนึ่งกับคืนหนึ่งแล้วในวันหนึ่งคือคืนหนึ่งทุกขณะไหม ไม่ในชั่วโมงหนึ่งได้ครับฮะได้ครับทุกขนาดเลยนะชั่วโมงหนึ่งได้ได้แต่ทุกขนาดไปได้ไม่ได้มันจะมีเรื่องอื่นเข้ามาแต่พื้นฐานในเรื่องของพระละแวกไม่อยู่นะครับแต่อัตมาไม่ไม่เป็นอย่างนั้นนะแปลกการอัตมานี่แปลกแปลกแปลกตรงที่ว่าอัตมาอธิษฐานครั้งเดียวมันถึงเลยแล้วก็อยู่ตลอดยีิบี่ชั่วโมงเลยมันแปลกอยู่ตรงเนี้ย มันมนีมันอยู่ว่าพอจะแนะนำให้พอจะปฏิัตการได้ไหมครับได้ทำได้ก็ไปเรือกถึงรา่างยติดต่อเนื่องกั น, นเจ็ดวันใช่สามารถเปลี่ยนภาพเหตุการณ์ของชีวิตในเบื้องหน้าได้อาจารย์เอาเจตนที่ทานี้ช่วยได้มั้ยัยงไงตังตง้งตั้งติดตั้งเจตนา ตั้งจิตอธิษฐานแต่เมื่อเข้าถึงมันต้องรับทราบได้ในจิตแล้วต้องเห็นสภาพแห่งกุศลจิตที่เกิดจากการระลืึถึงพระราตายอยู่กับเราตลอดยิบสี่ชั่วโมงโดยที่ไม่ได้บังคับอัตมาไม่ได้เรียกว่าอัตโนมัตินะเพราะสาภาว่านั้นมันมันไม่ใช่อัตโนมัติมันขึ้นมาลองรับแบบดูอย่างนั้นเลยเป็นไปเองครั้งเดียวนะมันก็น่าแปลกเหมือนกันทาไมอาตมาถึง เร็วขนาดแต่ทำไมคนอื่นอาตมาต้องบอกเขาเป็นนึกแล้วนึกอีกย่ำได้คนอื่นล่ะโ อ, โ อ, โ อ, โอ้ลำบากเหลือเกินคนอื่นนี่ต้องนึ ก, ต, นกต้องเกียนต้องมันแปลกอยู่ตรงเนี้ยสั่งมาแต่ว่าไม่ต่ากครับหมายถึว่าในสน่วนการนึอถึงเนี่ยตัวเขาเองไม่มีสิ่งที่ยึดเหนียวทั้งหมดเลยนะครับใ ช, ใช่เอาก็<ส>ที่พึ่องอื่นของพระพเจ้าไม่มีไม่มีไงแต่ถ้ายังมีอยู่มันก็ไม่ได้อีกถ้าพรงน้ใช่มันก็เลยไม่เขาไม่เข้าถึงไง คำคำนี่แหละตอนที่อาจารมาประกาศว่ า, า, าที่อื่นๆของข้าพเจ้าไม่มีปุ๊บ ก, กระแสของจิตมันเห็นเลยนะเห็นกระแสของจิตออกจากตัวเรานี่แหละที่ยึดอยู่กับรูปขรลมยึดกับสิ่งนั้นของขังอันนี้อันโน้เส้นผมเกสรกูบาอาจารย์รูปเหรียญของกูบาอาจารย์อัฐีของกูบาอาจารย์อะไรต่างๆที่เราเคยเก็บสะสมไว้เห็นออกไปจา ก, กจิตเลยโอ้โหมันเชื่อมโยงในการยึดเพื่อหนีเยอะขนาดนี้เลยเหรอเห็นมันขาดออกไปในเวลานั้นเลยไม่มีคือไม่มีมันขาดพอขาดปั๊บ พระพุทธเจ้าไปได้ีพึ่งของบุตเสรีของข้าพเจ้ากาบต้งปั๊บเกิดจ้าขึ้นมาเลยทีนี้ก็ครั้งเดียวมันก็เกิดเลยแต่ถ้าเรากราบแล้วบอกข้าเจ้าก็คิดอยู่ตลอดถ้ากมกลางพระบินพระญาติที่จริงแล้วก็คิดถึงรูปเรียนเราไม่ใช่มีมันก็ธรรมดาเพราะเราไม่มีเงินอะไรแล้วพระพุทธรูปก็เลยมีอะไรก็เลยเป็นชั้นของชั้นของความรู้ความเห็นที่เพียงพอต่อกันและกันถึงจะเกิดได้ เ้าทำทำบางอย่างแล้วก็ไมเอ า, ากกเอาควาของใคให้แม่เแม่เพุทธเจ้าถ้าเรา พ, พิจารณาอย่างแยกคลายและชัดเจน ด, ด้วยปัญญาแล้วเราจะรู้ว่าพราะรัตนตรัยไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เรายึดพึ้งทั้งชีวิตตั้งแต่วันเกิดมาที่เราถูกผูกสอนให้ผูกฝังสอนใ ห, ให้ยึดถืออย่างนั้นไม่ใช่เพราะมันมันเห็นชัดว่าที่เกอร์คือมารองรับจิตของเราเนี่ยมันไม่โกหกเราแน่เพราะอะไรก็เห็นอยู่ตลอดเวลา แต่ไปเห็นตอนที่มันที่ที่ดับนะดับตอนที่รู้กระแสพระทิพผ่านดับพระระตะนาไทยยังดับเลยนะเขาไม่จําเป็นต้องเอาพระัตนาไตยไปใช้ในที่นั่นเลยครับใช่ที่คุณมาชอบถ่านี้ใช่เฉาะอยู่นี่นี่จ้าก็ไปหาผ้าทำก็ไปหาดับตรงนั้นเราก็ยังงงครับพระัตนไตยยังดับแต่ไม่ได้งงแบบงงงวยอะไรไม่ใช่เนี่ยคือมันขนาดนี้เลยเหรอพระัตนาไทยยังดับที่มันเคยรองรับกิจเรามาตั้งแต่วันที่เราอธิฐานอยู่นี่ เป็นลองเพียงเครื่องเพื่อจะระลึกเท่านั้นใช่ถ้าอยู่ใช่วงปฏิบัติก็ต้องมันต้องระลึกอยู่แล้วว่าเราเห็นเราเห็นอยู่ในจิตอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่ระลึกก็เหมือนกับการระลึกเพราะมันเห็นอยู่ตลอดเวลาเห็นอยู่ตลอดตื้นขึ้นมาก็เห็นแหละตลอดยีบสี่ชั่วโมงเอาพูดยังไงไม่เคยหายออกจากความรู้สึกจากจิตใจเลยควาเป็นไปเองคนอย่างนี้ยเหมือนมันนั่งอยู่บนฐานที่ ตัวเองจะลึกพึ่งย่ในการยั่งยนอาไรกันแล้วก็เป็นมือนั่สิเม้นั่นนั้ัยางกันเนาะทีพึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีแต่ยังยึดพึ่งอยู่ยงยึดพึงอยู่อ่ะยังมีกระแสของการยึดพึ่งอยู่ใช่ใช่คือข้าพเจาสักทางนะระหว่างมันมีบทเวลาให้พรเนี่ยที่บอกว่ายัดฐานนะครับนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับบุญที่เกิดมาเนี่ยเป็นไปตามคาพูดที่พรเจ้า ได้กล่าวใช่ไหมครับคิดว่าบุญนี้เหมือนกับจันทรที่แปลภาษาไทยนะครับใช่เหมือนพระจันทร์วันเพลนเหมือนกับแก้วมณีโชติอันสว่างสวยบุญนั้นจะเต็มเหมือนกับพระจันทร์วันเพลนไอ้บุญตรงนั้นนี่เนี่ยคนที่จะไปเท้าคือปัญยายที่พระจานทร์ได้กล่าวไว้ตั้งต้นใช่ต้องรู้ต้องมีความเข้าใจบุญถึงจะเต็มเหมือนกับพระจันทร์วันเพลนนั้นเหมือนกับพระจันทร์วันเพลนวันเพลนมันเต็มดวงใช่ไหมล่ะ ทช่ไหมล่ะ บ, บุญเต็มอย่างนั้นเต็มอย่างนั้นเลยเป็นอย่างนั้นเลยกระ แ, แสจิตของเราจะเกิดเจ้าทำไมเหมือนกับวันพระจันทร์เต็มดวงเลยคือบุญที่เต็มน่ะด้วยการทําบุญด้วยปัญญาเป็นอย่างนั้นในขณะที่กิจก็ได้นะครับท่านผู้ได้เจ้าจึงถามนางนนวิสาขาไงว่าวิสาขาเธอทําบุญให้ทานเนี่ยเพื่อประโยชน์อะไร พ่อาบางคนเนี่ยทําบุญให้ทานด้วยเหตุผลเรื่องเงื่อนไขหลายๆประการอย่างนี้หนึ่งให้ทานเพราะพ่อแม่ผู้ญาติยายพาทํามาผู้เยาวไม่มีผลมากให้ทานเพราะเห็นว่าผู้นี้ไม่มีอะไรจะกิดก็เลยให้ก็ไม่มีผลมาก <c oughs> ให้ทานเพราะเห็นว่า <c oughs> เราเราจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ตามความปรารถนานี่ไม่มีผลมาก <c oughs> ให้ทานเพราะ มีหลายอย่างมีสิบประการนะเออแปดประการไม่ไ ม, ม่มันมันมีแปดอย่างเนี่ยจําไม่ได้ mm hmm. ให้ทานเพราะเห็นว่าคู่นี้ไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงชีพโดยการทําการงานอย่างเงี้ยคือท่านไม่สามารถเลี้ยงชีพโดยการงานได้เช่นสมามณาพางก็เลยให้เพราะท่านไม่ได้ทํามาหากินอะไรแวบเนี้ย mm hmm. ก็ก็ก็ให้ให้ทานเพราะความสงสารก่อนไม่มีผลมากโจ้ไปถึงข้อที่แปดตามนางวิสาขา ท่านอาจารยให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตเอาทำไมให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตมีผลมากแค่งไหมันคือจิตก็เป็นคุยสนตลอดเพราะมันอยู่ในสดับเป็นเครื่องประดับก็ติตัวก็แล้วดีก็ต้องมีข้อเอาเองหนึ่งทำคาสอนพุทธิยานี้ต้องขบคิดไม่ขบคิดไม่ได้ทําบุญเป็นเครื่องประดับจิตแล้วจะ ว, วางใจยังไงว่าทำบุญเป็นเครื่องประดับจิตยังไง <G ül üyor> ม่นิสัยทำทานติดนิสัยทำทานเป็นอุปนิสัยของการให้ทานคนก็ค น, คนที่เขาให้ทานตามพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำมาเขาก็เป็นอุปนิสัยอุปนิสัยอะไรอย่างอุปนิสัยอะไรอย่างเราต้องเข้าใจก่อนว่าพระนักวิสาขาเนี่ยเป็นพระโสดาบันมั้ยเขาจะไม่ทําบุญด้วยความงมงายนะใช่ไหมเพราะไม่มีการงมงายในการทําบุญแน่นอนและเป็นบุคคลที่มีสัมมาทิฏฐิในการทาบุญไม่มีมิจฉาทิฏฐิ และเป็นบุคคลที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ในจิตในการทําบุญและปลาลบสองปลารบพระเจ้าปลารบข้ารบล็อ้อหลายอย่างเลยคุณะคุณสมบัติที่จะก่อให้เกิดการให้ทานในแต่ละครั้งของนางไงใช่ไหมปลารบพระเจ้าเกิดเป็นบุญหรือยัง <c oughs> ปลารบการทาเกิดเป็นบุญหรือยัง <c oughs> ปารบข้าวสองเกิดเป็นบุญหรือยังนะ <c oughs> มีนิพพานเป็นอารมณ์ในจิตเกิดบุญหรือยังนะใช่ไหมแล้วก็สามาธิถิเป็นบุญหรือยังโน พื้นฐานของจิตในการให้บุญแต่พระเครื่อให้บุญอยู่บนพื้นฐานของพระัตะนาตยและสมาธิิและกําจัดความตันีและหลายอย่างนะแต่คนทั่วไปไม่ได้ให้ทานอยู่บนพื้นฐานของพระัตนาตยไม่ได้ให้ทานอยู่บนพื้นฐานเพื่อกําจัดความตันีไม่ได้ให้ทานด้วยการเป็นสมาธิิคือไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของสมาธิิบางทีให้ทานก็หวังอยากจะ ได้ผลอันนี้ไม่ใช่สมาธิทีใช่ไหมล่ะรากสกร์บางชื่อเสียงบางเ่องมันและไม่ได้ให้ทานด้วยมีนิพพานเป็นอารมณ์มีสวรรค์เป็นอารมณ์มีมนุษยสมบัติเป็นอารมณ์มีพรหมสมบัติเป็นอารมณ์มีโลกหน้าเป็นอารมณ์นเนี่ยขอให้อยู่ดีมีสุขในเบื้องหน้าอย่างนี้เป็นอารมณ์ไม่ได้ให้มีความดับทุกข์เป็นอารมณ์นิพพานแต่การให้ทานมันจึงถ้าจะเอาแบบพระจันทร์บรเพณ์เต็มรอดจริงแต่ต้องแบบนามวิสาขา แต่ไม่เวลาการให้ทานเขาจึงประกอบพิธีกรรมหนึ่งนัมาสการพระรัตนตรัยซอพุทธทานพระนักฉามีธรรมะพระนักฉามีเต็มไปด้วยพิธีกรรมอ่ะคือให้ให้ทานบนพื้นฐานพระรัตนตรัยนั่นแหละแต่สิ่งที่เขาทําไม่ใช่พระรัตนตรัยเป็นเพียงแค่พิธีกรรมเมื่อเราตัดพิธีกรรมเหล่านั้นออกไปเราต้องมาเราลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธประสงค์ด้วยองค์คุณภายในใจของเราที่เรายึดพึ่งจริงๆนอกน้อมพระพุทธเจ้าจริงๆตั้งสมาธิถี่จริงๆกําจัดความตันหนีจริงๆ มีสัมมาทิฏีิจริ ง, งนียไม่ปลาลบสวรรค์ไม่ปลาลบโ ล, ลกหน้าไม่ปลาลบมนุษย์ศพปัติปาราลบมิพานเราจะใช้คำนี้ได้ไหมบนพื้นฐานเหล่านี้แหละถึงจะได้เกิดเป็นเหมือนกับพระจันทร์วันเพ็ญเต็มล อ, อกอเต็มเปี่ยมจริงอยากได้บุญเต็มเปี่ยมต้องต้องเป็นอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วถ้าไม่คิดอะไรเลยลนะไปยัางก็งเหมือนกับทาตามประเทณีใใช่ ก็ไม่ได้ก็เห็นเขาให้อยากจะให้บ้างก็ก็ได้อยู่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ได้อยู่ได้แบบอย่างนั้นแหละแล้วทที่ไม่หวังผลอะไรทั้งสิ้นแต่ก็มุ่งอยู่บาิพานอันนี้ก็ได้ได้ปาลบิพานเมื่อไงไงปาลบิพานลบปาลบิพานหมายว่าหวังความผลทุกพระเจ้าบอกว่าแม้จะเป็นการปาลบิพานและเป็นความปรารถนาหวังก็ตามแต่เป็นการปรารถนาหวังที่ถูกต้องเป็นบุญชนิดพิเศษ บุญขเขาจะพิเศษขึ้นมาทันทีถ้าเขาฟาร์มล้มนิพพานมคนก็จะมีบทบทต่อท้ายไง่านิบานณ์นัปปัจโยโหตุไงแต่แต่ประกาศบอกว่านิพพานัปปั จ, จโยโหติตุใช่ไหมหแต่ที่ฐานว่าขอให้อะไรขอให้หมดนี่ในชาตินี้ <laughs> ขอนชานตินี่านหขอให้อะไรททคือฟาร์มล้มนิพพานแล้วแต่ขอเอามาใช้ในชาตินี้นี่ บุญก็ไม่ส่งไปที่พานไงก็อาจจะให้เํานวยผลในชาตินี้ได้แต่ไม่ส่งไปที่พรนิพพานก็จะลดคลอนไปเมื่อคนก็คิดรวบไปนะเขาทำเพื่อเพื่ออย่างนั้นอาจารย์มาทุกอย่างเสร็จแล้วแล้วในบุญทั้งหลายแหละให้รวมมาเพื่อเป็นไปเพื่อพระนิพพานรวมยอดเลยทีหลังก็มีเลยรวมยอดเคิดรวมยอดเออแล้วอาจารย์ถ้าเราทําทานนอน ด้วยปัญญาด้วยสมาธิเราจะใช้คำว่าเราให้ทางเพื่อฟอกจิตได้ไหมชำระจิตชำระจิตชาระจิตได้ไดแต่ถ้าฟอกจิต น, นี้เป็นภาษาใหม่นะทำ่ า, มาไม่่อยได้ยินแต่ชำระจิตเนวเออใช่ได้มันชัดิวัตกรรมชัติวัตกรรมตานไม่มีคำคนำะใหม่ วิชากำลังขับเคลื่อนอยู่ใช่หรื่ึกซึ้งมากเลยนะครับลึกซึ้งในฝ่ายของสมุทยได้ยังบอกวิชากาลังขับเคลื่อนนะวิชาขับเคลื่อนเนี่ยเด็กที่สอยวันเดนทางหอไม่ไม่ไม่ิชากลังขับเคลื่อนต่อไป ขับเคลื่อนไปยังไงก็ตามอย่ากให้มันหยั่งรากลงในจิตแล้วก็ยึดรากถ้ารากมันยึดเข้าไปแล้วบอกโอ้โหถอนยากมากเลยนะดึงจะถอนเหรอต้นไม้ที่มัรากมันยึดพื้นแล้วเดี๋ยวดึงมันถอนมันได้ถอนได้ไหมด้วยกําลังของเราต้องจังแมกโครมาเนี่ยใช้กลังนะแต่ถ้าย่าเนี่ยย่ายังเล็กๆเนี่ถอนได้ไหมบางต้นยังไม่ได้เลยเหรอแม่ย่าย่าอะไรนะมันอะไรก็ตามที่เกิดแวบๆเนี่ยรีบรีบร้างมันออกซะรีบถอนมันออกซะอย่างมันหยั่งรากมาก แต่ถ้าแบบลากใหญ่ๆน้านนาต้องระดับมหาสติมหาปัญญาดึงลากขอนโฟนออกเอาเครื่องใหญ่ๆมาทีนี้เรามีรากใหญ่ๆยึดอยู่ในจิตคือตัววิชาเป็นลากใหญ่แต่จะมาเอาแค่ศีลสมาธิปัญญาเล็กๆความเพียรน้อยๆทำบ้างไม่ทำบ้างมาถอนมันโด้สูเรื่องเลยเขียนที่เด็กเล สัตว์อายุตัต้งสามร้อยปีไปถึงแล้วกูจะถอนต้นนี้ออกสิบ <c oughs> คนโอบยังยังยังยังไม่ไหวต้องความเพียรต้องสร้างเครื่องมือสร้างเครื่องจักรมาร์แปนี่เป็นเครื่องจักรที่ดีมากทำมาจักรเลยเนีะกงจักรที่จะตัดอาสะวะได้ตัดรอบด้วยเลยอาจารย์ครัท่านอาบอกเราคิดจิตลราเป็นกุศลคิ ด, ค, ดคิดเรื่องผลทานผลบุญบุญทานเนี่ยให้คิดดีกว่าจะดี ถ้าบุญทางเราไปคิดที่บุญมันได้น้อยผลมันก็จะได้น้อยตามตามตามเหตุที่เราคิดอืเดี๋ถ้าเรถึงบุญที่เราทํากับพระอริยะพระอะไรเนี่ยมันก็จะได้มากกว่าที่เราทำทานกับคนเราดูที่ความรู้สึกของเราเองดีกว่าความรู้สึกมันตอบสนองออกมายังไงในขณะที่กระทาถ้าความรู้สึกมันตอบสนองออกมาแบบแบบตาตึงในเต็มเต็มเตี่ยมในจิตในใจมันซึ้งอยู่ในหัวจิตหัวใจเนี่ยมันไม่ต้องระลึกอยากเลยความรู้สึกมัน มันแสดงตัวเองตลอดเวลานึกเมื่อไหร่ก็ปาบปืนเมื่อนั้นนะนึกเมื่อไหร่ก็ปราบนึกบ่อยๆนะที่นี้นึกถึงทางผลทานก็จะมื้อผลนึกถึงศีลผลศีลก็จะมวยผลนี่นี่จะไปตีตอนทําอะไรมาหลังเห็นว่าอาจารย์ตักใส่บสาตรเยอะๆโอยอันนี้ต้องนึกถึงนึกถึงอันนี้จังเยอะๆจะได้พ้นจากโลกวัฏฏะรุ่นนี้ไม่ต้องมาอาศัยทานแล้วอ า, าศัยยิปัสนาไปนวดเล ย, เเลยแล้วเลยแล้วมันให้มาเยอะแล้วสะสมมาเยอะแล้ว ไปนึกถึงวิปัสสนาโน้นอนจิจจลักษณะลักษณะแห่งความไม่เที่ยงเป็นยังไงก็บุคคลผู้จะเจริญวิปัสสนาต้องรู้จักฐานะหก่อนอนจิจจอนิจจลักษณะทุกขะ้ทุกข์ขัลักษณะอนัตตาอนัต ต, ต, ตลักษณะปกปกา ร, รกใช่ไมเลยมีอนจิจจอนิจจังทุกขัทุกขั้อนัตต์กับอนัตต์ แนนต้องดูอนิจจา ก, ก่อนเนี่ยเพราะมันสืบเนือกกน่องกันซึมเนื่องกันใช่อา น, นิจจ่าคืออะไรของไม่เที่ยงอะไรคือของที่ไม่เที่ยงเราก็มาคิดดูเลยคานวณดูเลยอะไรที่มันเที่ยงแล้วลบ้างในโลกเนี่ยก็เหมือนจะไม่มีไม่มีสักอย่างใช่ไหมแต่ทีนี้เขาเรียกว่าของที่มันไม่เที่ยงทั้งหมดที่อยู่ในโลกเนี่ยหรือในจั ก, กราวาลเนี่ยมันไม่เที่ยงทั้งหมดอแต่อันไหนที่มันไม่เที่ยงแล้วเป็นทุกข์ธาสีใช่ไหมขันห้าใช่ไหม สออย่างนี่แหละที่มันมีทุกเอาก้อนหินตอนไม้มันมีทุกไหมมันสแสดงความทุกข์ความเดือรอนไหมไม่มันเพราะนั้นไม่ต้องไปที่นามันพวกเราจะบอกให้รู้อนิจจ์คือที่ท่าสี่คันห้านี้เพราะฉะนั้นท่าสี่ันห้าจึงเป็นอนิจจ์ที่เราจะต้องรู้และวิปัสสนาอนิจจลักษณะลักษณะที่มันไม่เที่ยงเป็นอย่างไร <c oughs> ความไม่เที่ยงของกายเป็นยัง ไ, คมไม ง, ง, งไความไม่เที่ยงของใจเป็นยังไงลักษณะที่มันไม่เที่ยงไม่เที่ยงยังไง เกิดขึ้นในเพื้อนต้นแปลปวนในถ้ำกลางใช่ไหมตอนเป็นเด็กเป็นยังไงโตขึ้นมาเป็นยังไงผู้ใหญ่เป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงเส้นผมตอนแรกมันสีดำตอนนี้เป็นสีครับงี่ยแล้วเปลี่ยนเป็นสีดำเรวยังตอนเป็นเด็กเรียวแรงตอนเป็นเด็กตอนนี้เดี๋ยวมนแ่เปลี่ยนเป็นสีดำเพราะฉะนั้นแล้วไม่ใช่เราจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนัเป็นเรื่องของเราแต่ว่าเราต้องรู้ความเปลี่ยนแ่ะ่าวเป็นจริงออกมาคือเป็นใช่ ทนี้ตอนเป็นเด็ก ท, ทําไมถึงโตขึ้นมาได้เป็นเพราะอะไรมันโตไม่ได้ยังไงเพราะความไม่เที่ยงก็ไม่เทียเ่ยงอีกนั่นแหละมันจึงโตได้ถ้ามันเที่ยงอยู่อย่างนั้นมันมันจะโตได้ไหมคือคลอดออกมายัางไงก็ต้องอยู่อย่างนั้นใช่ไหมแบบอย่างนั้นตายตัวมันก็โตขึ้นมาได้ก็คือความไม่เที่ยงนั่นเองเพ<ม>ราฉะนั้นความไม่เที่ยงจึงมีทั้งความจเจริญและความเสื่อมไม่ใช่มองแต่ความเสื่อมนะเจริญก็ไม่เที่ยงเสื่อมก็ไม่เที่ยงดีก็คือความไม่เที่ยงไม่ดีก็คือความไม่เที่ยง มันต่างกันก็คือต่างมีเที่ยงทั้งสองอย่างเลยทั้งดีและไม่ดีสุขก็คือความไม่เที่ยงทุกก็คือความไม่เที่ยงเพราะนั้นลักษณะของความไม่เที่ยงคือเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนไปในท่ามกลาง<ม>เสื่อมสลายไปที่สุดด้วยนี่คืออันี่จะคือท่าสี่คันห้าใช่ไหมอันที่จะลักษณะคือมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรว น, นไปในท่ามกลางเสื่อมสิ้นไปที่สุดที่สุดอั น, นที่สองทุกขลักษณะไม่ใช่ทุกขะ อะไรคือสิ่งสิ่งที่เป็นเรื่อว่าทุกข์หักทุกขักมีความหมายว่าไม่คงทนในสภาพเดิมอืไม่คงทนในสภาพเดิมมันจะมีการเปลี่ยนใจใช่อะไรบ้างที่คงทนในสภาพเดิมได้บ้างมันจะไม่มีสักอย่างใช่ไหมแต่สิ่งที่ไม่คงทนสภาพเดิมของมันเนี่ยแล้วต่อให้เกิดทุกข์มีอะไรให้เกิดโกจะ็นทุกข์าสี่ขัห้าหยิกนั่นแหละอย่าไปล้มเสียงลงหลักไม่ได้นะ อนิจจัง ก, ก็ต้องท่าสี่ขันธ์ห้าทุกขะมันจะเป็นท่า อ, อย่างอื่นได้ยังไงอ่ะก็ต้องท่าสี่ขันธ์้านั่นแหละคือสิ่งที่ไม่คงทนในสภาพเดิมมันไม่สามารถคงทนในสภาพเดิมได้เพราะอะไรเพราะอำนาจของอนิจจ์เนี่ยมันป่อตัวอยู่ตลอดเวลามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมล่ะมันแปรปรวนอยู่ตลอดเวลามันจะคงพนสภาพเดิมได้ยังไงเพราะฉะนั้นทุกขะก็คือท่าสี่ขันธ์ห้าทุกขลักษณะลักษณะที่ไม่คงพนในสภาพเดิมเป็นยังไงฮะ ลักษณะที่ไม่คงผลในสภาพเดิมคือมีแล้วหายไปเกิดแล้วดับไปใช่ไหมใช่มีแล้วหายไ ป, <ม>ไปใช่ ม, มีแล้วกลับไม่มีมเกิดแล้วก็ดับอย่างเงี้ยคือลักษณะของสิ่งที่ไม่คงอยู่ในภาพสภาพเดิมอนตตาคืออะไรไออลักษณะที่ไม่ใช่ตตนลักษณะที่ไม่เป็นตนของมันเองไม่ใช่ตัวของมันเองคืออะไร คือความที่มันไม่ใช่ขันห้าขันห้าีกกันเลยฮะแต่ยังที่ไม่พร้อมขันเนี่ยหลักเนี่ยถ้าสีขันห้าอย่างนั้นเพราะมันเป็นอนัตตาถ้าสี่ขันห้าเป็นอนัตตายังไงควบคุมก็ไม่ไควบคุมก็ไม่เพราะคําว่าอนัตตาถ้าดูในอนัตต์อลักษณะสูตรนะพี่ยากบอกว่าควบคุมบัญชาไม่ได้ควบคุมถ่าสี่ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้ไหมควบคุมขันห้าให้คงตัวอยู่ในตัวของมันได้ไหมไม่ได้ควบคุมจิตให้อยู่ในกุศลธรรมอย่างเดียวได้ไหม ไมได้ทาไม่ได้เราก็ปล่อยมันสิใช่ไหมงั้นมันอยจะคิดเอากระสก็ปล่อยมันคิดติเดี๋ยวก่นถ้าปล่อยมันคิดไปแล้วมันมันมันไม่ให้กําลังมันเหลยก็ใช่สิกำลังมันก็เยอสิมนก็คิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราก็ต้องปล่อยมันไปแล้วก็ต้องรู้มันบไงควบคุมบังค so yeah. ับบมันได้ไหมล่ะเอาผู้ยรียไงไม่ได้แล้วทํายังไงก็สร้างสร้างสิ่งดี ไม่ก็เมื่อรู้ว่ามันขับไม่ได้ก็รู้ว่านี่คืออนัตตานี่คืออนัตตาคือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ก็เอาทํำเมื่อเราเข้าไปรู้ว่านี่คือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้มันจะหยุดใใช่ไหมสติจะเกิดเนี่ไอ้ทีของพุทธเจ้ายับย่นมากไะทีนี้อนัตตลักษณะลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนคืออนัตตาเป็นแบบไหนอนัตตาคือ อนัตตาคือท่าสีนห้าอนัตตาคือลักษณะที่มันควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้คืออนัตตาสภาพที่ควบคุมไม่ได้ทั้งหมดคืออนัตตาไปสรุปว่าสเปธรรมานตาเนาะมันก็ลงตรงที่อนัตตา่อนัตตาทั้งหมดทั้งคำ้เพราะฉะนั้นทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้มันทันไถึงเป็นอนิจจังผู้กังอนัตตาล่ะก็เพราะว่า เกิดขึ้นในเบื้องต้นแปลปวนในท่าการและเสื่อมสิ้นไปนที่สุดเพราะความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปลปวนในท่าการและเสื่อมสิ้นไปนที่สุดนั่นเองจึงทําให้ไม่มีอะไรคงทนอยู่ในสภาพเดิมของตรวองและเพราะความที่สิ่งนั้นไม่สามารถคงคนอยู่ในสภาพเดิมของตัวเองได้สิ่งนั้นจึงควบคุมไม่ได้เพราะปันหาความคงตัวในขนาดนั้นไม่ได้เลยสิ่งเล่านั้นจึงไม่คงที่ไม่คงตัวไม่สามารถควบคุมได้อะนิจจังทุกขังอะระตา จึงเป็นธรรมชาติอันเดียวกันอยู่ในตัวอันเดียวกันลักษณะอันเดียวกันเป็นอันเดียวกันแต่แบ่งเป็นสามลักษณะโดยรู้หกฐานะฐานะหกมีลักษณะสามแต่มีอาการเดียวอะไรนะอะไรของฐานะหกฐานะหกลักษณะสามมีอันเดียวอาการเดียวถ้าจะพูดถึงก็คือมีอันเดียวเท่านั้นหลกเป็นหนึ่ไไตลัก <rets. S 2> ร, วรวมเรื่องเรงวันตรลักมีแต่สภาพอของไตรลักษณ์เท่านั้นถ้างานอะไรที่เกิดสภาวะขึ้นน้เราเรามุ่งเข้าตรงเป็นแตรลักไปเลยถ้าปัญญาถึงถ้าวิปัสสนาถึงแตรลักษณไปเลยเเได้แ ม, ม้แต่กระทั่งบุญนะอรตมายังเกิดความรู้สึกเขาเรียกว่าเวลาพิจารณาถึงบุญเนี่ยธรรมายังยัง พินาไปถึงเรียกว่าจุดแห่งความรู้แจ้งนี่นะในบุญนี้ในตัวบุญว่ามันยังเป็นสังขารอยู่ยังรู้สึกเล้ว่าโอ้โหการชักชวนคนทาบุญนี้ยังถือว่าเป็นการสร้างวัตถุทุกขให้กับเขาอยู่เลยมันจึงเกิดความรู้สึกในใจของตา ม, ม, า, มาโดยตลอดโอ้ไม่อยากจะช่วักชวนใครทําบุญเพราะไม่มีใครทาบุญด้วยความฉ <c oughs> ลาดมีแต่คนทาบุญด้วยความโง่ <c oughs> โง่เขาอะ เพราะนั้นเมื่อสอนคนให้ทําบุญเราจะต้องให้ปัญญากับเขาเพื่อไถ่ถอนความโง่เขาในการยึดถือนิพนธ์ให้ได้ถ้าเราจะสอนใครให้ทําบุญหรือแนะนําใครให้ทําบุญหรือชักชวนใครให้ทําบุญจะให้โดยที่ไม่แนะนําทางปัญญาไม่ได้เลยไม่อย่างนั้นมันเป็นตัวที่จะทําให้เขาติดอยู่ในวัฏฏะทุกผลจากทุกไม่ได้มันจึงเป็นเรื่องที่าาจะตมาต้องมานั่งลําบากบอกสอนอย่าทำบุญแล้วไม่แล้วนัว่นเอง เรามาดังฟังกันเ น, นี่ยไถถอนความโมง่เขาไอ้ตะ <c oughs> กิดไม่งั้นติดไปแล้วตั ว, ตวบุญนี่แหละตัวดี <c oughs> บาปก็ตัวดีเหมือนกันบุญก็ตัวดีคือตกอยู่ในสภาพว่เดยียวกันจริงๆนนี่ไม่ไม่ได้ถือว่าเป็นการพูดว่ากล่าวในทางที่ไม่ดีนะั้นนี่คือความจริงคือชั้นของความจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแต่ในชั้นของความดีคือความดีถ้าเราพูดในแง่งความดีนะั้นบุญน่ะดีแต่ในพูดของความจริงเนี่ยบุญก็ไม่ได้ต่างกันไม่ได้ต่างจากบาจากบา แล้วถ้าพูดถึงนทำให้เราหมกอยู่ในวัตถาแต่มันดีในชั้นของการให้ผลครับผู้ร้ายหรืผู้ดีแต่ไม่ใช่พูดพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเอ้ยทำบุญดีกว่าไม่ใช่อรับทาบุญเพื่อไปสู่ความดับใช่ไหมปลาลบพระกุฏิดาปลาลบระธรรมปลาลบพระสมบ์ปลาลบกำจัดความตณีปลาลบพระนิพพานปาลบสมาิฐิผู้มีสมาทิฏฐิจะไม่หยุดทาบุญ เอาวบุญมั็นธร ม, มาซึ่งความทุกข์เป็นไปในวัตตทุกข์ทำไมถึงไม่ไม่หยุดทำพราดีหรือไม่อยู่ทำบุญนะก็ทำด้วยปัญญาแล้วมีปัญญาแล้วที่พูดถึงว่าบุญในแง่ที่มันเป็นวัตตาทุกข์คือเป็นโทษเนี่ยพูดในแง่ของความเป็นโทษคือทำด้วยความโมโหหรือ ง, อ ง, งมงายงมงายทำไปบัญญัติบุญในบางสิ่งบางอย่างซึ่งไม่ใช่ตัวบุญอย่างแท้จริงเหมือนกับหลอพรานที่เขาบัญญัติว่าน้ำโพงคาสามารถชาระล้างบาปได้เป็นบุญใน ศา ส, สนาของเขาเขาบัญญัติอย่างนั้นแต่ผู้ที่บัญญัติใหม่ในความหมายขบุญใหม่แล้วทุกวันนี้เราบัญญัติบุญไว้ในสิ่งที่กระทาบางอย่างที่มันไม่ใช่บุญคือสิ่งนั้นไม่ได้นำมาซึ่งบุญจริงๆไม่ได้เป็นการชําระล้างจริงๆบัญญัติไว้ในการทําบุญในอะไรบุญกรถินผ้าป่าที่ผิดแพกจากที่พระองค์ทรงสอนไม่เป็นไปตามพุทธบัญญตัติไปบัญญัติบุญในความหมายใหม่ท า, ทางที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้อย่าง มีที่มาที่ไปมีเห็นมีผลอย่างถูกต้องแล้วแต่เราไปสร้างความหมายใหม่ของการทำบุญให้ทานกะทินผ้าป่าประมาณนี้ผิดจากหลักคาสอนเดิมมันจึงทำให้อ้โหเห็นวาตดยืดยาวนานเลยทีนี้เห็นเลยนะนี่ใครไม่เห็นนะต่มาเห็นแล้วอถอนใจเลยนะไอ้บุญนี่นะไอ้ตัวหลอกตัวลออคนเนี่ยไอ้ตุ่มบุญเนี่ยตัวนี้ตัวเองจนไม่อยากจะ ไม่อยากที่จะไปเขาเรียกว่าชักชวนโยมทําบุญบอกอยู่บุญโยมอะไรโดยความรู้สึกจริงๆนะไม่อยากจะพูดไม่อยากจะเ อ, อ่ยเลยแม้แต่คําเดียวจริงๆแล้วในความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าได้บอกออกไปเราต้องให้ปัญญากับเขาด้วยถ้าจะชักชวนคนทาบุญนั้นคุณครับคำว่าปัญญาที่สังขารมานปัญญาที่สังขารมานไม่มีหรอกมีแต่อพิสังขารมาน ใช่อภิสังขารมาก็คือเนี่ยลราบุญกับบาปเนี่ยเป็นอภิสังขารสมาธิช้านสมาธิพวกนี้เนปน็นอภิสังขารนะครับอภิสังขารมาอะไรที่ทำแล้วติข้องในบาปเป็นหมดเลยใช่ข้าใจครับถ้าคนไม่ได้ศึกษาเรืเ่องของบุญราษราแบบนี้เนี่ยตอนติดที่เขาตาไปบุด ตัวจากมนุษย์เลยนะไปเป็นดุวญญาเนี่ยเขาก็ยังระลึกเหมือนเดิมใช่ไหมครับว่าเขาต้องทำแบบนั้นรอคมดูจากญาติจากบบนั้นทุกครั้งที่ต้องเอาน้าไปกรวดเขาจะได้รับบุญ น, นี่คือความที่เห็นในส่วนของหลักจากที่เขาตายใช่ใช่เพราะนั้นภาพนี้ทุกครั้งบางคนเนี่ยหรือว่าอุญญาณตายายก็บอกว่า กลับบ้านไปเสร็จแล้วก็กวดน้ําวดน้ําไปเอง <Ừ. S 2> ผลของแบบนี้กับผลที่ว่าเราทิปบุญโดยให้หน้าตอนนี้เนี่ยมันจะมีผลบุญเสมอหรือไม่ครับหรือว่าแตกต่างในเรื่องของตรงไหนแตกตา่างสิเพราะบุญมันไม่ได้เป็นเครื่องเชื่อมโยงตัวบุญไปถึงบุคคลที่เขปาปฏิหารจากอุทิศให้มันเชื่อมโยงไปไม่ได้ <c oughs> บุญไม่ได้ไปด้วยวิธีการ น, นะ กาสาสดาเราเป็นผู้ตัดสรุ้โดยชอบแล้วว่าวิธีของบุญไปวิธีอย่างไ ร, รก็พ่อค้าที่ออกเรือสำเภาไปเจออดีตภรรยาเก่าอยู่กลางทะเลเป็นเปรตเวเวมานิกัเปรไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็ขนเสื้อผ้าไปให้สั่บอกลับให้ได้ท่านจงกลับไปสู่เมืองแล้วถาวายผ้าเนี่ยเป็นทานแก่พิสูรรูปใดรูปหนึ่งและอุทิศบุญมาให้แกพระเจ้ า, า, าด้วยก็อุบาสพวกนี้ก็ กลับไปสูงเมืองก็ไปถวายทานและอุทิศไปให้นางเปกที่ตัวเองไปเห็นอยู่กลางทะเลเอาผ้าวางใส่เบือผ้าภิกษุภิกษุก็รับผ้านั้นมาปั๊บพร้อมกับคิดว่าบุญนี้สมเร็จแก่นางเปกผู้เป็นภรรยาเก่าของข้าพ่ะย่ะจั่นผ้าทิพย์ก็บังเกิดขึ้นทำอินแก่นางเปกไม่เห็นต้องกลัวน้ำเลการกลัวน้ําก็บอกแล้วว่ามันเป็นทัตติของเหล่าพระ เราพราม์ที่เขายึดถือว่าน้ำเป็นเครื่องษษษษสัด์สิตสามารถสื่อถึงโลกวิญญาณได้มันไม่ใช่หลักของพุทธศาสนาแม้แต่คําว่าบุญที่เขาทานะ่ะมันก็ไม่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนานี่คำถามคุดฐานเนี่ยคือผมไม่คิือผมไม่ได้เห็นว่าโรงวญาณขารับบุญแต่ไม่แง่นะครับเล ย, เลยถึงแม้เราไม่เห็นก็ตามแต่พระเจ้าทรงปัลดานให้พระเจ้าพิพิสารเห็นในครั้งพุทธกาล บัณดาที่เห็นเลยว่าเปรที่เป็นญาติรออยู่แล้วเขาจะรับบุญได้วิธีการไหนผู้เจ้าบัณดาที่เห็นเราไม่จําเป็นต้องเห็นแต่เราสามารถมองภาพเหตุการณ์ที่พระองค์ทรงบัณดาลให้พระเจ้าพิพิสารเห็นในคราวครั้งนั้นเราสามารถมองภาพเหตุการณ์ออกว่าเขารับด้วยวิธีอย่างไรเราก็ต้องไปดูว่าพระเจ้าพิพิสารทําอย่างไรในตําราก็บอกว่าพระราชาถวายน้ำคาสิโนทกและอุทิศหมายถึงว่าเอาน้ําทําบุญเอาน้ํามาถวายทานและอุทิศ เขาวรรเล็อูฏิทั้งหมายที่ว่าให้แล้วอุทิทเอวะเมวะอิโต้ดินนางเปตานางอุปกปติท่านที่ท่านอุทิทย่อมสําเร็จแก่พกทุทธิลาโลกนี้ไปแล้วฉันนั้นอุปกรปติบีกํากับไว้แล้วลว่าเป็นผลสำเร็จนั้นเบื้องภาพเราเนี่ยพระองค์ทรงบรนดาลให้เห็นเพื่อตัดความสงสัยในพระเจ้า พ, พุทิสารด้วยและตัดความสงสัยของอุทธสาวกในครั้งนี้ด้วยว่าบุญสําเร็จยังไงหรือไม่สําเร็จยังไงก็มีแบบอย่างจากตรงนั้นอยู่แล้วเรามองภาพออกอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องเป็นนั่งสมาธิเล่าเห็น ไม่จะเป็นเลยเป็นสิ่งที่พระวงค์ทรงสัพพันธุจักยานของพระเจ้านี่ทรงทรงสัจจคือความรู้นี้เป็นแม้กระทั่งอนาคตต่างการที่คนจะรับทราบเรื่องราศาสนาเนี่ยให้มองภาพนี้ออกไม่ต้องไปกินตนาการแต่เราอ่านปุ๊บเรารู้เลยเรารู้ว่าแปลกคขลับยังไงพระราชาถวายนั้นพระศรีสุ พ, พ, พกแล้วอุทิศอะไรขึ้นก่อน ส, สาธิบังเกิดขึ้นปุ๊บทันทีใช่ไหมเปร่ก็ลงกินดื่มอาบในสาธิบนั้นมีผิวพันธุ์ ของใสเบิบอิ่มขึ้นมาทีนี้พระราชาเห็นเอ้าได้รับแล้วดีกว่าเนี่ยได้รับอย่างนี้นี่เองคือให้แล้วอุทิตเนี่ยได้รับอย่างนี้มันไใช่ได้รับอย่างอื่นอ่ะพอเห็นแล้วก็ดีใจแล้วโอ้เปรตเขาได้รับอย่างนี้ญาติเขาเองได้รับจริงๆให้อีกเป็นอาหารใส่ลงไปในบากถวายข้าวถวายข้าวถวายยาเกินถวายยาครูแล้วอุทิตถวายกับแกงแล้วอุทิศถวายอะไรก็อุทิศอันนั้นอาหารอันเป็นข้าวก็บังเกิดขึ้นเพระูบตามกรรอุทิศเวลานั้น ก็เห็นอยู่ภาพนี้ก็เกิดขึ้นในครั้งนั้นอยู่จะไปสงสัยกันอยู่เหลือว่ารับด้วยวิธีการไหนแล้วยังจะมากวดน้ํานโยมนะอุทิศกุศล น, นะอย่างนี้อยู่เลยนะก็ก็ให้แล้วอุทิศในในตําราก็ว่าอย่างนั้นหนิหรือในตําราไม่ว่าอย่างนี้ก็มันไม่มีนะก็ว่าอย่างนี้ใช่ไหมละ่ะ<ป>เราไม่ไม่ใช่อาตมาอ่านคนเดียวนะนี่ไปตีความหมายคื อ, รอพระบางรูปท่านบอกว่า ไอ้ที่อาตมาพูดตรงเนี้ยไม่เห็นมีอยู่ในตาําราสงสัยพระไตรปิฎกเล่มนั้นบวกกินหมดแล้วมั้งหน้าหน้านั่นทนะ่านเลยอ่านไม่เจอไม่เคยเอามาเปิดอ่านนาทีน่ะบวกกินหมดแล้ว <c oughs> พูดไปอย่างนั้นแหละ <c oughs> แต่บวกกินก็มีนะิ <c oughs> คีน่าเรื่องนี้ชอบไอ้หน้าหน้านั่นน่ะหายไปเลยนะไม่มี <c oughs> แต่เรื่องนี้มีอยู่ในพระไตรปิฎกไม่มีอยู่ในพุทกพก็มีอยู่ในอาสากถานี่ทำไมยังไม่มี มันไม่จะเป็นจะว่านั่งสมาธิให้เห็นเลยนะมันเป็นเรื่องราวที่พระองค์ทรงบรรดาลให้เห็นไปแล้วเรียบร้อยแล้วไม่ต้องลําบากถึงจะต้องเออโผไปด้านต้นไปดูผีปีศาจญาติที่จริจริงว่ามันอยู่ยังไงมางที่หมดแล้วออผู้ได้เท่าทําให้สบายเวลาทำทำให้ง่ายแล้วนะโอ้ไม่ได้ทําีกทอย่างเลยสาวกในภายหลังอย่าไปสร้างเรื่องที่มันยุ่งยากไปกว่าเรื่องที่องค์ทรงสอนไว้ให้มันเสร็จสรรไปแล้วนะดูดีแล้ง่ายแล้วสบายแล้วทําตามได้เลย พเราไปสร้างความยุ่งยากขึ้นมาเองต่างหากมนเลยยุ่งยากถึงกว่านี้เพรานั้นตรงนี้ก็เลยกลับไปส่วนปัญหามันก็คือว่าเขาไปตีความหมายคาว่าทักซิโนโทบผิดเขาเข้าใจว่าทักษิโนโทบ ค, คือน้ำยาเนี่ยปัญหามันอยู่ตัวเดียวเนี่ยแต่ไม่อ่านเรื่องโดยรวมไม่อ่า น, นเนื้อหาโดยรวมเปะจจับแค่ว่าทักซิโนโทก เอาถ้าจะตีความหมายท่าศีโนทบมาจากสองศัพท์มาจากคําว่าดักศีโนดักกังท่าศีนาแปลว่าของทาบุญอุท่กังแปลว่าน้ํำก็คือเอาน้าไปทําบุญเอาน้ำไปถวายพระแล้วอุทิศมันไม่ใช่มันหลอกจ่อเทน้ําจะจ่แล้วมันทําบุญที่ไหนตรงนั้นอ่ะเทน้ําลงดินเอาเป็นการทาบุญไหมไปให้ทานกับใครให้ทานกับมดให้ทานกับแม่ ฝากแม่ทรณีก็ไม่รู้แล้วอันนั้นน่ะเขาเขาเขาจะเขาเป็นนักการันตีจริงๆแม่ทรณีไม่มีหรอกผีผีสะติดบินถ้าจะเอาแม่ทรณีถ้าจะพูดถึงตามหนังสือที่โยมถึงให้ออกมาอ่านนั้เป็นเป็นพระราชกรบีท่านท่านเลือกพูดหรืเรื่องพระแม่ธรณีนั้นเขาบอกว่าแม่ทรณีมีอยู่จริงก็คือพระราชินีพ่อทรณีก็คือพระเจ้าอยู่หัว พ่อของแผ่นดินแม่ของแผ่นดินพระแม่ธรณีก็คือพระราชินีแม่ของแผ่นดินนีถ้าจะทําบุญกับแม่อยู่นะก็แม่ธรณีนี่ก็บริจาคพระราชทรัพย์ไปถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระ อ, องค์ท่านสิ<ม>ให้พระแม่ธรณีท่านอยู่เย็นเป็นสุขได้บุญไหมได้บุญเป็นราชทีราชทีก็เกิดบุญนะพุทธเจ้า ถ้าอยากจะให้พ่อธรณีอยู่เย็นเป็นสุขก็ถวายพระราชทรัพย์แด่พระองค์หนิมีเท่าไหร่ก็ไปทำบุญหุ่น อ, อไม่ใช่ไปเทน้ําลงน้ํามันคนละเรื่องเห็นไหมนะเพราะว่าประวัติเขาว่าแม่ธรณีมาจากแม่แผ่นดินเนีแม่ของพระเจ้าแผ่นดินด้วยทีไป ด, ด, ดีเป็นแม่ของพระเจ้าแผ่นดินอีก ถ, ถ้าจะพูดถึงนะั้นลากรากฐานของคําว่าแม่ธรณีนะมาอย่างนั้น เพราะทรณีแต่ว่าดินแผ่นดินพื้นแผ่นดิ น, พ น, ดนอพระเจ้าแผ่นดินแม่เจ้าแผ่นดินก็พระเจ้าทรณีแม่เจ้าทรณีแต่ทีนี้เราไปหมายความว่ามแม่ทรณีคือพวกวิญญาณที่อยู่สถิตดินเป็นแม่ธรณีอันนี้ก็ อันนี้แหละเพราะทำความเข้าใจของหลักคําสอนไม่ถูกต้องแต่มันก็มีแล้วในสังคมกลายเป็นประเพณีนิยมไปอาตมาก็ได้รับนิมนต์ไปในงานศพงานนั้นงานนี้ก็ให้ให้ปลวดน้ําก็ก็กวดกันไปทํากันไปก็ไม่ได้เป็นอะไรไปต้องเนี่ยแม่อาตมาเองเขาให้จัดไ ป, ไปเป็นไปเป็นพี่ธีเป็นประธานในพิธีครับ ทอพ่อปากวดน้ําเหมือนกันแหละก็ทําไปจุดธูปจุดเทียนเป็นประธานในพิธีเก๊กแม่ทำก็ไม่เป็นแข่งแข่งกลางกลางแบบอะไรก็เข้าที่ขวดที่จะเปิดที่กวดน้ําไม่เป็นอยู่ตรงไหนยังไงลินดาเปิดางเราไม่ได้ยึดถืออย่างนั้นเนาะประเพณีเราทิ้งประเพณีมานานแล้วเราเข้าสู่วิธีของการปฏิบัติมันก็ต้องอยู่ในรูปของการปฏิบัติ เรื่องพิธีกรัมก็เป็นพิธ <ทำ S 1> ีกรรมอยู่อย่างนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องที่มันน่าเบื่อมากเลยนะแต่ถ้าคนไม่รู้จะว่ายังไงก็ต้องก็ต้องบอกกันกัตวองสอนกันอะไรเงี้ยแต่ก่อนนี้จะมาตัดไม่เกี่ยวกับพิธีกรรมจะไม่ยุ่ง แต่หลังๆมานี่ไม่ได้รื้รวงเ่มขึ้นเเราแยกให้ออกไปแล้วกันอะไรเป็นพิธีกรรม <c oughs> อะไรเป็นการปฏิบัติแยกให้ออกเพ <c oughs> ราะมันอยู่ในหลักของปริสันยุตาอยู่คือรู้จักประชุมชนว่าที่ไหนก็ทายังไงก็ทาอย่างนั้นไปอย่างเงี้ยก็เรียกเป็นปริสันยุตาแต่ก่อนนี้ไม่ได้นึกถึงตรงนี้ขวาเอฮะขวามมั น, มนแต่ก่อนขวางอยู่แต่ตอนนี้ไม่ขวามันมันต้องขวางก่อนคย ก็ตอนแรกเราก็ถอนออกมาจากการปฏิบัติล้วนไงถอนเรื่องเราออกมาจากการปฏิบัติคืออยากจะให้คนไปถึงจุดของการปฏิบัติจริงๆแต่พอมาดูหลักของปริสตระปริสระบัญญัติสัสตร์ของสตัปบุรุษแล้วอ๋อมันมีหลักนี้อยู่นี่หวังไม่ได้นะต้องเอาหลักนี้บ้างเราต้องตัดตัวเองให้ได้ไหมครับต้องวางวางลงวางตัวขวางลงเดี๋ยจะว่าขวางโลกเกินไปเป็นตัวขวางลกมาทางนี้ขวางโลกเป็นบดเลยเงนี้ แต่ผู้ได้เจ้าโภงแรกๆผู้เจ้าก็อย่างนั้นเหมือนกันนะแรกๆเลยนะแรกๆผู้เจ้าก็ขวางเลยเลยนะหักลำไปหมดทุกเรื่องเลยนะหลัง ๆ, ๆมาโภงก็วางลงมากมากเข้ามาเข้าโภงก็รู้จักวางอยู่ น, นะ ม, มันไม่เหมือนกับครั้งแรกนะสังเกตการแสดงธรรมในครั้งแรกกับครั้งกลางๆหรือลหลังๆของรู้ได้เจ้าเ่ผ่อนปลนลงลงมาเยอะครั้งแรกนี่ต้องแสดงสัสจจคตเป็นตัวยืนก่อนครั้งสองเริ่มมีผู้เข้ามามากโภงกเ็เริ่มปรับลงสู่แต่กดตะลายหยาบจะมากขึ้นแล้วก็ปรับ เ อ, อ, เอเือรับเป็นสู่ชนชนเรล่าอื่นมากขึ้นเป็นการอนุเคราะห์เขาในเบื้องหน้าเนี่ยเรื่องที่หกนะปัญญาแต่ละคนมันได้เหมือนกันการทำทางพ <c oughs> ุทธเจ้าสสารตามมาจากปัญญาคนใช่ทางโลกเขาคิดอย่างนั้นแต่ละคนจัดสนิทอย่างนี้ทำกับเปรียบเทียบแล้วก็อย่องก็อย่างก็ พ, พ่อพุทธเจ้าอบอกว่าเราไม่ได้ต้องไม่ได้บังคับใครเป็นเรื่องสติปัญญาของคนที่จะพิจนารณาด้วยเห็นและผลและตกลงใจที่จะพื้ปฏิบัติตามหลักคาสอนเองไม่ได้บังคับว่าต้องทําอย่างนันอย่างนี้นพุทธสาวก ท, ที่มานับถือพระองค์ต้องรู้จักพระองค์เป็นอย่างดีก่อนรู้จักพระธรรมของทําคําสอนของพระองค์เป็นอย่างดีก่อนรู้จักสงสาวกของพระองค์ให้ดีก่อนแล้วก็มานับถือถ้าไม่รู้จักทั้งสามประการนี้ให้ดีการ นับถือศาสนาก็ถือว่าเป็นการนับถือไปอย่างนั้นเองไม่ได้ไม่สาระคุณค่าจะไม่ได้เกิดในชีวิตและประโยชน์ที่ควรจะได้รับทางศาสนาก็จะไม่ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงสิ่งที่ศาสนาจะให้ก็ไม่ได้ในสินนส่งนั้นอย่เนี้ยทีนี้เรายังไม่รู้จักพระเจ้าดีเลยเป็นยังไงเราเอาพระเจ้าไปไว่าอยู่ในระะูปเขารบเครื่องรางของขังก็ถูกบุกเสกอ่างเงี้ยผมว่านะผมในในกองที่ผมนี่เนี่ย คนทั่วไปเนี่ยก็จะบอกว่ า, าพระพิสุที่หกพราหรือเนี่ยคือท่านศึกษาเรื่องของคําสอนของพระเจ้าอย่างดีละเขาเข้าไปบูชาเข้าไปสักการะแต่แล้วท่านก็จะบอกสิ่งที่ดีสิ่งทีด่ดีแล้วเราสูวดมาผมผมว่าส่วนหนึ่งอเองเนี่ ย, ยคือศาสนาพุทธเรามันมียุคหนึ่งเขาเรียกว่ายุคเวทคาถ า, าพระพิสุสมัยนั้นจะเรียนเวทคาถาไม่ค่อยได้เรียนหลักคําสอนาพระพตทธเจ้าจเท่าที่ควร จะเรียนสิ่งที่เป็นเวทภาถาที่เป็นบนอาห า, หากันแก้กันเพราะในยุคนั้นคนเดือดร้อนเพราะเวทมนต์คาหาเยอะพักเลยก็ต้องเรียนไสยเวทเข้ามาแก้ช่วยเหลือชาวบ้านแต่ละกของการแก้ไสยเวทผู้ได้เจ้าชมสอนไม่ได้หลักธรรแล้วควรแก้อย่างไรไ ม, ไม่ไม่ด้เข้ามาศึกษาตรงนี้ไม่ได้เอาคําสอนผู้เจ้าไปใช้ในการแก้แต่ปัญหาของทุกวันนี้ของคนทุกวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ความทุกข์ของคนทุกวันเนี่ย ที่มีผลกระทบต่อชีวิตไม่ได้เกิดจากไซยเวดเท่าไหร่แล้วถามว่ามีไหมมีแต่ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ส่วนมากจะไปไปมีความทุกเพราะอะไรลูกกระทั่งแปดนะลูกกระทํางแปดแล้วก็ถูก<อ>เชื่อมโยงเข้าไปสู่ชะตากรรมว่าตกชะตากรรมไม่ดีปีชงปีไปแก้กรรมว่านิ้วการแก้กรรมจิตตอบสนองคนในยุคนี้ทําวิธีแก้กรรม เปลี่ยนชื่อทุกศาสตเลยอ่ะไม่แต่ตัวเลขทําให้เปลี่ยนชื่อไม่ได้เดี๋ยวมีอันตรายรถสีแดงรถคันนี้สีดำโกหกครับจิไปเจอตัวเหมอนเลยทุกอย่างทําเพื่อให้เกิดความสบายใจใช่ไหมเขาเขาจะคนมีความคิดคิดที่ว่าเมื่อเราสบายใจแล้วก็จะมีกําลังใจในการที่จะทําทําไปได้อีกสักเไหรดีใจไปสักเท่าไหร่ดีใจไม่นานใช่ไหม ปลอบใจได้ไม่ได้เพราะปัญหาเดิมๆมันไม่ถูกแก้จากจิตไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุศาสนาสอนให้แก้ที่ต้นเหตุไม่ได้เพียงแค่ทําให้สบายใจเพียงแค่นั้นนะั่นนะก็จริงศาสตรหลายแหล่ทุกวันเนี้ยที่คนไปเรียนรู้แล้วไปทําเนี่ยมันแค่เครื่องปลอบใจขนาดเดียวเท่านั้นเองทีนี้เมื่อศาสนาของเรามันมีรากฐานมาจากไสยเวทมาที่ถูกแทรกเข้ามาโดยพระที่ทรงเวททรงอาคมมามันก็เลยไม่หายไม่จางคายออกไปจากไปจาก แนวพิธีรูกกิจทางาศาสนาที่คนประพฤติปฏิบัติเพราะมันมีพิธีกรรมเป็นตัวกุ้มห่อไว้หลักของการปฏิบัติล้วนมันเลยเข้าไปแทรกไม่ได้เพราะสิ่งที่เป็นพิธีกรรมหุ้มห่อ <c oughs> ไ้หมดมันตลบอบวนไปด้วยอะไรกระแสของค่านิยมของสายญาตใช่ไหมล่ะสายศาติขงสักรรดิธิ์ดีอย่างเงี้ย มันมันมั น, ม น, มนสิ่งประตรูรวนไปด้วยของสิส่งพวกนี้ยอยู่รอบๆตัวรู้สึกถึงความขลังรู้สึกถึงความยิ่งพระสัตรพระอธิสงกดแล้วกิ่ง โ, พโพอโอะอธิว่าของสิ่งเหล่านั้นนี่ทรงอนภุภาพเอาต้องมีไว้เป็นที่ครอบครองแล้วแหละถ้าไม่ไม่มีไว้เป็นครอบครองจะเสียดายเลยทั้งชีวิตนี้นคนเราเป็นอย่างนั้นไปแล้วมุ่งไปที่วัตถุแต่พระเจ้าสอนให้มุ่งไปที่ธรรมยึดถือธรรมครอบครองในธรรมยึดธรรมมาเป็นที่ตั้งในจิต เธอจงมีทำเป็นที่พึ่งเธอจงมีทำเป็นเกาะเป็นเกาะเป็นที่พึ่งภยัยเป็นป้องกันภัยคือเอาทรรเอาความดีเ ป, ป เ, ปดมดเป็นเกาะป้องกันตัวเองตรงนี้เพราะนั้นอาตมาจึงสอนพระสอนที่หยุดรอยแมฆเขียงเมื่อวันก่อนเขาบอกอยากจะอยากจะมาช่วยร่วมกันสร้างศางสนาไปพร้อมกับครูบาอาจารย์อาตมาก็บอกว่าอยากพยายามสร้างศางสนาเพื่อให้คนยุคนี้ ประพฤติปฏิบัติตามต่มาไว้เพราะการสร้างศาสนาเพื่อให้คนยุคนี้ประพฤติปฏิบัติตามนั้นมันจะเป็นไปเพื่อความเสือ่อมแต่จงสร้างคนยุคนี้ให้สร้างศาสนาในวันข้างหน้าให้มันถูกต้องโดยการให้ความรู้ความสอนแล้วก็ให้เขาประพฤตินตนอยู่ในหลักและขอบเขดถ้าเราจะมาสร้างศางสนาโดยสร้างไปที่วัตถุใช่ไหม วัตถุและสิ่งกอ่อสร้างสิ่งปลูกสร้างสร้างนั่นสร้างนี่ให้มันมีเยอะมีมากเกินไปาศาสนาเหล่านี้มันมีอยู่มันก็ไม่ได้ช่วยแก้ไขกิเลสในจิตใจคนแต่ถ้าเราสร้างคนในวันนี้มันจะมีประโยชน์ต่อพุทธศาสนาในวันขนา้าหน้าให้มุ่งเน้นไปที่การสร้างคนแล้วคนที่จะเข้ามาสู่สาศาสนาคนนั้นต้องสร้างตัวเองให้ดีก่อนทาตัวเองให้ดีก่อนพูดตัวเองให้ดีก่อน อยากมาเป็นบุคลากรทางศาสนาที่ทําให้ศาสนาเสื่อมในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นการที่จะมาสร้างศาสนาโดยการมุ่งเน้นไปที่สร้างวัตถุเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้ศาสนาดีขึ้นเลยไม่ว่ากรณีใดแต่ถามว่าวัตถุมีความสําคัญไหมมีแต่ไม่ใช่สําคัญมากกว่าการประพฤตินตนปฏิบัติตน <c oughs> การประพฤตินตนปฏิบัติตนเนี่ยสำคัญกว่าตรงนี้อาตมาก็เลยให้สติกันะบคนที่อยาก เข้ามรวมในวิธีนี้ให้เข้าใจว่าที่ทําที่สร้างทุกวันนี้ไม่ได้สร้างศางสน า, าเพื่อให้คนเข้ามาอยู่อาศัยมาพักพิงไม่ต้องการอย่างนั้นต้องการให้คนสร้างคนให้มากเน้นไปที่ตัวคนให้มากเพราะอะไรวัตถุพังทลายไปสร้างใหม่ได้แต่ศาสนาธรรมเนี่ยคําสอนพรติกรรมเนี่ย พัทงทลายเนะี่ยสร้างใหม่ได้ไหมต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนั่มามาสร้างถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าที่เป็นบุคคลประเภทเดียวกันกันกบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรามาสร้างไม่ได้เพราะฉะนั้นพุทโธถูกถูกทำลายถูกทุบมันสร้างใหม่ได้ใช่ไหมจะสร้างขีดอมก็สร้างได้แต่ถ้าทำถูกทําลายเนยะใครจะสร้าง มี่ใครสร้างใครสร้างได้บ้างต้องเป็นอุคคลผู้เสมอเหมือนดลังพุทธเจ้านั้นจะสร้างขึ้นมาได้พูดง่ายๆก็ต้องร้องภาษีอะไรไม่ตังค์อย่ามามุ่งเน้นในการสร้างวัตถุให้มันมากแต่ให้มีวัตถุเท่าที่พอจะเป็นไปได้อันเรื่องอยู่ในปัจจัยสี่ที่สิกควรจะใช้สอยและเป็นไปอันเนี้เท่าที่จำเป็นเท่าที่จำเป็นนั่นพอเป็นไปได้ และก่อให้เกิดบุญกุศลจริงๆไม่ใช่สร้างแล้วแล้วไปไมันจะเกิดบุญกุศลตามหลักศ า, าสนาการจะทําจิตให้เป็นกุศลตามหลักศาสนาเนี่ก็ไม่ใช่ง่า ย, ยานะยากนี่เป็นเรื่องของปัญญาล้วนๆเป็นเรื่องที่มีความสำคัญดีไม่ดีๆๆพวกเราเนี่ยไม่รู้ว่ามีปัญญาตามหลักคําสอนพุทธศาสนาแค่ไหนที่มาทําบุญในแต่ละครัง้งวังอะไรหวังให้อะไร ประศักด์ปัญหาโภยภัยทั้งหลายมันจางคลายไปหรือตาหวานอย่างนั้นเเอาอีกแล้วพีดอีกแล้ว่าวว่านก่อนเมื่อก่อนเป็น่ย่ยงไงเดืนนี้ตาสว่างค่ะเป็นตาสว่างเลยเดือนีเยนตาสว่างัเป็นยังไงตาสว่างยิงตาที่นี่สีตาที่นสว่างคืแล้วว่าต้อง เขาดิฉาขับเคลื่อนมาขอยังใช่นะเขาดิฉาขัขขบเคลื่อนที่จุ๊บะขับเคลื่อนแสดงว่าแต่ก่อนมืดบอดมาตลอดนะนั่งอยู่บนบานมาเคลื่อนตลอดแต่ไม่ได้หมายถึงว่าสิ่งที่อาตมาพูดนี่มันถูกนะอเอาไปโผลคิดเอาไปพิจารณาจะยอมย่า <นะ S 2> งเทีนั่นแหละนราน้ามันถูกมากเกินไปใช่ภาพเกิหนาขึ้นมาก มีความมหังจารนี่ตัี่มีบาลามีมากเลยซึ่งวัดใหญ่โตมโหฬารอันนี้ยกจี้เสริมเขาเองไ่เกี่ยวข้องธรมด้วยของกเค่หมายแต่เรเห็น้าไปโผลอลังการัลพักแต่ลรโหโคตไปกูละวันนี้ไม่มีคำถามนะไม่มีใครถามอข้ามาเลยวันนี้วันนี้ไม่มีค่ะไมีเอ้ยทาจากยตําหนิพระที่ปฏิบัติไม่ดีมันตบบเป็นตานิธรมะังไตหนิเลย มันจะยอดขึ้นเลเราหมดเวลาเราถูกตำหนิแล้วเป็นยังไงอ่ะไม่ได้ฟังไว้จะเห็นนะแต่ก่อนตมาก็ตำหนิอยู่หลังๆตมาไม่ตำหนิแล้วไม่ตำหนิแล้วก็แบใครบังบานอยู่แล้วนี่เนาะใครไปทำอะไรก็เขามีน้าไปโอ้ใช่ันเนี้ย เขามีที่ไปห้องแล้วจะไปทุกกับห้องหรอกเราต้องบอกว่าเออมันเป็นผลสาสธารณครัวสาาแต่ถ้าจะพูดคุยเรื่องผูกผิดพูดคุยได้แต่ไปตําหนิไม่ได้จุดจบยุคนี้มันตำหนิไม่ได้โดยเฉพาะออกไปโซเชียลอย่างนี้ีเป็นเรื่องนะไม่ได้โซเชียลระวังนะแต่พูดในแง่ของความถูกความผิด ในหลักคำสอนเอาหลักคำสอนมาเป็นตัวยืนได้ยืนยืนที่จะเป็นเครื่องเทียบเทียมให้ทราบข้อถูกข้อผิดได้บางคนภาพปกอบก็มีเหตุผลเยอะแยะเรื่องการใช้เงินถ้าเหตุผลมันคัดค้านกับหลักคำสอนมันก็ไปเพียงแค่ข้ออ้างเท่านั้นเองมันเป็นเหตุผลไม่ได้นี่พี่ต้องปูเลยน่าตรนีลยอย่าเอา ยานศาสนาอย่าเอาปัญญาของพระพุทธเจ้าเออมาเป็นของตัวเองเพื่ออำนาจเป็นของส่วนพระพุทธเจ้านะเอออแบบการเรามาเป็นไม่ได้หรอกมันเป็นยังไงก็ไม่ได้อ่านไปก่อนไม่เป็นไรจ้าค่อย่างกฎแรงดึงดูดของจักรวาลที่เทียบกับศาสนาคือพระพุทธเจ้าสอนเนี่ย กรกดแรงดึงดูดของจักรวาลนมันน้องฟ้าอยวกอธิบายเรื่องกดแรงดึงดูดให้ฟังหน่อยเป็นยังไงตามหลักวิทยาศาสตร์อาจารย์ไม่ได้เรียนคือกดแดูมเป็นยังไงพูดมันูขียาดเลยมมันไม่ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์มันเป็นยังไงขึ้นเที่ยวแต่ สิ่งดีๆในจักรวาลเปนสิ่งที่เราคิดแต่สิ่งดีคิดบวกคิดบวกเนี่ยเหมือนจะคิดบวกคิดลบอย่างไรถ้าได้ทํศาสนาให้เขาของพระพุทธเจ้าที่คิดบวกก็จะดึนอยู่เหตุการณ์ข้างล่างทีนี้เไม่มมันมันมันเชื่อมโยงกับหลักข้อยศาสตร์ยังไงเขามากดอะไรมันอยู่มาไม่กดมันเป็นยังไงเขามากดเนี่ยคือบวกมันก็คือแปลบวอแล้วก็ูบวกหลักก็คือมนที่ประหลาดในซิสเตที่เขาออกมาเขียนย คือบวกกับลบบวกกับลบมันจะดึงเข้ามาหากันจริงจริงมั้วบวกกับลบบวกใช่ไหมแต่ถ้าบวกแลนจะลบเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านี่คือกฎแรงดึงดูดของวิทยาศาสตร์นะแต่ท่านี้อขาไปพูดในเรื่องของคนในดุลในส่วนของของจิตจิตสํานึกจิตตาสำนึกนะครับอ๋อถ้าจะกฎของแรงดึงดูดของทางวิทยาศาสตร์คือบวกจะจับคู่กับบวกและบวกกับลบบวกกับลบจะจับคู่กัน เอาไม่ไม่เอายังไงลองให้ฟังหน่อยคือถ้าสมมุติคือเขาจะมองอีกอย่างหนึ่งคือตั้งตัวอัลจัลไตนี่คือปริยาเขาจะมองแบบไอเดียของอัลจัลไตนะคือมันเป็นแบบเป็นที่เราอยู่จะเป็นปฏิภูมิและการที่ปฏิภูมิโค้งงอจะทําให้เกิดการเกิดแรงดึงดูดคือมันเหมือนกับสมมุติเราดูโลกกับดวงอาทิตย์มันดวงอาทิตย์มันทําให้ปริภูโค้งงอเกิดการโคจรอะไรนะคะคือมันจะมันจะขัดกับยูไตน์ ถ้เราเป็นกดขอะไรอยู่อีอยางหนึถ้าเราจะมองในอีกแบบมัอนกับไม่ที่สุดที่สุดเขายอมรับอันไหนของไอสไตล์ยอมรับของไอสไตล์แเราจมองเร่ครัพลิพูมันคืออะไรพลิพูมันก็คือสีที่ครอบอ๋ออเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ่าพอพอเข้าใจแล้วทีนี้อ่าอธิบายอย่างนี้มันจะเข้าหลักของของไอสไตล์ได้มากมากขึ้นเพราะใกล้เคียงกับความเป็นโฆษณาคือ มันอาศัยเหตุปัจจัยโดยรอบมันไม่ได้อยา่างใดอย่างหนึ่งใช่นะมันไม่ใช่เสมอไปว่าบวกคิดบวกแล้วจะเป็นบวกแต่ขณะที่คิดบวกนั้นเป็นบวกอยู่แล้วแต่คนจะยังมองผลใช่ไหมผลนั้นมันเกิดจากต้องอาศัยคําว่าปริภูมิในใ น, ในความหมายของอันนี้แล้วคือสิ่งแบบล้อหรือว่าเหตุปัจจัยประกอบเพราะภายนอกนี่เป็นเรื่องภายนอกมันต้องอาศัยเหตุปัจจัยประกอบภายนอกแต่ภายในถ้าคิดขึ้นมาปั๊บ มันก็สําเร็จแล้วเป็นดีแล้วเป็นบวกแล้วมันได้แล้วอันนั้นคือเรียกว่าเป็นเหตุส่วนผลมันเกิดจากภาวะแวดล้อมอย่างที่ว่าเนี่ยถ้าถ้าพูดถึงอแรงดึงดูดในทัศนะที่ไอสไตล์พูดถึงในแง่นี้นะในแงน่นี้มันก็จะเป็นอย่างนั้นนะไอสไตลเนี่ก็คิดหลักแนวเข้ากับหลักพูดดีแล้วครับใกล้เคียง ก, กัน่ะแล้วก็ใช่แล้วในนั้นแต่ต้องเพราะว่า เอางี้ดีกว่าพ้าอาทิตย์หมุนรอบตัวเองไงหรือเปล่าหมุนรอบโลกอะหมุนรอบตัวเองหมุนรอบตัวเองหมุนด้วยหมุนทั้งรอบตัวเองหมุนทั้งรอบโลกไม่อะโลกโคจรรอบดอยอ่าโลกโคจรรอบรอบดวงอาทิตย์แล้วหมุนรอบตัวเองด้วยไหมหมุนรอบตัวเองด้วยหมุนด้วยนะไม่อยู่นิ่งนะหมุนด้วยหมุนด้วยจักรวาลทุกจักรวาลก็ต้อง เอาไงกันแน่วิทยาศาสตร์เขาหมุนรอบตัวเองไหมโลกหมุนรอบตัวเองแล้วก็หมุนรอบโลกด้วยแล้วดวงจันทร์ล่ะดันอบโลดวงจันทร์โคจรรอบโลกรอบหมุนรอบตัวเองไหมหมุนรอบตัวเองด้วยแล้วอาทิตย์ล่ะไม่รู้เลยแล้วถ้าสอบมาทำไงทอไรจะองว่าพระอาทิตย์อยู่ดนี่มันไม่หมุนรอบตัวเองเลยเห มันไม่แน่ใจตอนนหมุนปกติแล้วมันต้องหมุนนะต้องหมุนนะเพราะมันสายแรงเย็นแต่ว่านี่คือสิ่งที่เราคิดว่ามันต้องหมุนแต่ละความจริงเขาพิสูจน์ออกมายังไงอ๋อเทนต์ดวงอาทิตย์หมุนรอบตัวเองในทิศทางเดียวกันกับโลกแต่อัตราการหมุนของวัวที่ตันกันในแต่ละจุดอ่าโอเคเข้าใจฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้คือทุกอย่างจะหมุนรอบตัวเองนะแล้วการหมุนรอบตัวเองทำยังไงทําไมถึงมีการโคจรรอบดวงอาทิตย์ ถ้าเราไม่ต้องดวงที่เป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็ดวงจันทร์เป็นบริวารในในคลิปจริงคือเรียกว่าสุริยะจักรวาลจิตเราจิตเราก็เหมือนกันนะมันหมุนรอบตัวเองการเกิดการดับนั่นแหละแต่อะไรมาหมุนรอบตัวเราตัวจิตอ่ารมณ์ทั้งหลายที่มันหมุนรอบหมุนรอบอยู่พตอะนั้นอารมณ์ก็แบ่งเป็นสองใช่ไหมทั้งกิทธารมณ์อนิธาลมดีหรือไม่ดีที่มันหมุนรอบอยู่ในจิตไม่พอใจหรือไม่พอใจ แล้วจิตของเราก็จะหมุนไปตามอารมณ์หนึ่งหมุนรอบอยู่ในอารมณ์ของมันที่เกิดระดับแล้วก็หมุนไปตามอารมณ์อื่นการปรุงแต่งต่อจากเรื่องที่เข้ามาสัมผัสจากนั้นผลกระทบระหว่างที่จิตมันถูกปรุงแต่งเพราะมี2ูลักษณะที่ตามมาคือปวดหนึ่งจิตถูกปรุงแต่งจากภายนอกสองจิตปรุงแต่งอารมณ์ที่เข้ามาปรุงแต่งแล้วสองประการเนี่ย นะการที่อารมณ์มาปรุงแต่งกิตอันนี้ไม่ใช่เรื่องเสียหายเป็นเรื่องธรรมดามแต่ถ้าเราเข้าไปปรุงแต่งแตจิตเจอะต่อเนี่ยเอาวิชาปัชญาสังขารามันจะเกิดขึ้นตรงจุดเนี้ย่แล้วก็จิตเราก็จะหมุนรอบแล้วก็เป็นวัตตะวนเวียนอยู่กับเรื่องนั้นๆหาที่สิ้นสุดไม่ได้การสื่อต่อของวัตตะก็สื่อต่อออกไปอย่างนี้อยู่เรื่อยๆทีนี้ในความหมายคําว่าเวลาอารมณ์มาปรุงแต่งกิตแล้วภายนอกเนี่ย เช่นมีคนมาพูดหรือมาด่าเราปั๊บเนี่ยเป็นอารมณ์ภายนอกเหตุปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบจิตซึ่งเกิดดับรับอารมณ์ถ้าจะเปลี่ยบเพื่อการบุญรอบตัวเองเนี่ยปับ๊บหากจิตมีวิชาอยู่จิตก็ยุติก็จะรู้อารมณ์เหล่า น, นั้นก็จะดับไปแต่ถ้าจิตมีเอาวิชามันจะปรุงแต่งอารมณ์อันนั้นต่อแล้วก็เกิด <c oughs> การโปจรย อ, อารมณ์า น, นั้นโปรยหมอยู่ในจิต อยู่ตลอดเวลาเกดเรืเกิดเรื่องเกิดราวเกิดสิ่งเป็นสิ่งที่เรายึดมั่นถือมันเป็นปัญหาวิถีอาชาปัญหาอุปทานกรรมกระทําจนกระทําตอบลงไปพอกระทําตอบลงไปปั๊บมันก็จะเกิดปัญหาเพราะว่าแรงดึงดูดมาจากไหนทาไมอารมณ์ของความปวดถึงดึงจิตของเราให้มันมันดูดจิตให้เราอยู่กับอารมณ์เหล่านั้น่ะบางคนจมอยู่กับอารมณ์จมปักอยู่กับอารมณ์เช่นอารมณ์แห่งความเศร้าโศกยิ่งจมปักได้ง่ายจมปักอยู่างั้น แล้วก็ดูจนจิตกลืนลงไปบางคนนี่อารมณ์ซึมเศร้าเศร้าหมองเนี่ยนะคันําไปสู่การพาตัวตายหรือว่าต้องต้องเพิ่มยาจิตเวมัก็เข้มข้นขึ้นเนาะที่เป็นแต่ที่เข้มข้นขึ้นมันเลยหนักงานทหารใช่ไหมแรงดึงดูดอารมณ์เหล่านี้มันทำไมถึงมีแรงดึงดูดก็เพราะว่าเราเข้าไปไปปรุงแต่งมันเพราะนั้นโลกทําไมมันมีแรงดึงดูดเพราะโลกมันบมนแรงหมุน อะไรเป็นอะไรเป็นทำให้โลกมันหมุนอะไรทําให้ดวงจันทร์หมุนอะไรทําให้ดวงอาทิตย์หมุนลม<ง>ลม<ง>นะอะไรทําให้จิตหมุนอารมณ์<ง>อ้าวจริงจิตมันหมุนเนี่ยถ้าเราหยุดหยุดได้ปับ๊บนะอารมณ์มากระทบปับ๊บไม่หมุนไปตามอารมณ์ดับปับ๊บจิตก็ไม่หมุนแล้วดับ ดับในชั้นโสดาบันก็เจ็ดไม่เกินเชาติหมุนไปในวัฏฏะไม่เกินเจ็ดชาติท่านไม่หยุดถูกไหมหยุดไงไปรู้มันดีกว่ามั้งฮะไปรู้ในอารมณ์นั่นก็ใช่ก็รู้นี่คือเป็นปัญญาอโลกมันหมุนได้เพราะลมเนี่ยถ้าไม่มีลมมันหมุนไม่ได้หมุนไม่ได้เดชะก่อนโลกไปเนี่ยนะจิตเราเป็นไปตามอารมณ์ที่มันหมุนอยู่เอาไปอย่างนั้นจริงพอไปรู้มันจริงหยุดหยุดแต่เพิ่มเนี่ย ยิ่งหมุนมันยิ่งดึงดูดให้อยู่โลกโลูกหางตั้งไว้เฉยๆมันลม้มกิ้งไปกิ้งมาได้แต่ถ้ามันหมุนแล้วมันจะถูกดึงตึงไปอยู่กับที่ได้ตั้งอยู่กับที่ได้อันนี้ในส่วนของอย่างที่น้องพูดเรื่องของควาดึงดูดของจากรวาหมายถึงว่าเข้าขใจไ ม, ไม่ถูกแน่ ตัวิสิตเิดมาโดยน่หรือว่าน้องต้องกา ร, รว่าสิ่งที่ต้องการะจะดูดเข้ามาตัวเองในส่เร่อสิ่งดีๆอ๋อดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาทิ่จคิดที่ใหญ่ได้สิ่งนั้นสิ่งนั้นก็จะเข้ามามั น, นอัน น, น, นี้อันนี้ถ้าจะพูดถึงกฎแรงเึงดูดก็ต้องเชื่อมโยงเข้าถึงกฎแห่งกรรมส่วนหนึ่งผม ว, ว่านะครับมันน่าจะเป็นเรื่งองของมโนยิทธิอือประก็คือดิจั่งใจ มโนมายดที่เราต้องเข้าใจว่ามันเป็นการใช้พลังของบุญมันไม่ใช่การแรงดึงดูดไม่ใช่เป็นการใช้พลังของบุญเหมือนกับเรามีเงินมากเราจะซื้อเพื่อบินเจ็ส่วนตัวก็ได้เพราะว่าจิตตั้งต้นเนี่ยเขาคิดได้ว่าเขาคิดว่าสิ่งนี้เพราว่ารถเบนซ์เขาคิดในใจว่าเนี่ยฉันได้รถเบนซ์แล้คิดนั่นไม่ใช่แรงดึงดูดคิดจากการนาคำว่าคําว่าแรงแรงดึงดูดเนี่ยเราเราใช้ภาษาใหม่ดีกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไง อทแทสัน<ต>มันคืออะไรฐานฐานล่าฐานภาษาลาฐานภาษาแอทแทสตันมก็คือการดึงกัรสิ่งสิ่งที่ดึงที่เราคิดถึงอ่เยว่อนคิดถึงเป็นประจำก็จะอ่าเห็นไหม <c ười> มันดึงอากมาแล้วสิ่งที่เราคิดถึงอยู่เบี่ยว<ๆ>คิดถึงอยู่เป็นประจำํำมันก็บอกอยู่ในตัวอยู่แล้วะสิ่งใดก็ตามผู้เรียบอกว่าจิตคิดเรื่องใดๆมากย่อมโน้มเอียงไปเรื่องนันนันมากธรรมชาติของจิตเป็นธรรมชาติของการโอนไปตามอารมณ์เอียงไปตามอารมณ์โน้มไปตามอารมณ์ แล้วการที่จิตมันโอนไปตามอารมณ์โน้ไปตามอารมณ์เอ็นไปตามอารมณ์นี้หากขณะแห่งความคิดนั้นคิดในสิ่งที่เป็นฝ่ายดีมันก็จะโอนไปในทางที่ดีแล้วถามว่าผลสําเร็จเมื่อไหร่มันจะถึงที่สุดหากเราให้จิตของเรามันโคจรลุร่มหมุนรอบอยู่กับเรื่องดีๆอย่างนี้เที่ยวตามมาว่าถ้าครบเจ็ดวันเมื่อไหร่ทําไมต้องนับเจ็ดวันทําไมขณะนั้นถึงนับไม่ได้เพราะมันยังไม่ก่อตัวเป็นผลสําเร็จ การจะให้ผลได้ต้องเจ็ดวันกอนเอ๊ะทำไมมันต้องเป็นเจ็ดวันทําไมอันนี้อาตมายังหาสาเหตุไม่ได้ว่าทําไมต้องเป็นเจ็ดวันเพราะว่าพระเจ้าทรงตรัดไว้อย่างนั้นทำทำไมถึงตัดเนี่ยตัดมาจากไหนก็ตัดมาจากการที่พงทรงตัดไว้ตอนที่ปฐมเหตุแห่งการเกิดที่จุติจิตเข้ามาสู่คันแห่งบางรดา<ส>เกิดเป็นกาลละก่อนในสัปดาห์แรกเจ็ดวัน มัน้ชายต้องนับเจ็ดวันเพราะก่อนที่มันจะปรากฏเป็นกาลละเนี่ยมันต้องใช้เวลาเจ็ดวันถึงจะเป็นกาลละแล้วก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นกาลละะมาเป็นเปสิเปสินี่คืออะไรน้ำล้างเนื้อน้ําน้ําจากจากน้ํามันใสเนี่ยมาเป็นน้ำล้างเนื้อแดงๆเนี่ยเป็นน้ำแดงๆได้ใช้เวลาเจ็ดวันในระยะก่อนที่จะมาถึงเจ็ดวันอ่ะมันจะมองไม่เห็นเป็นน้ําล้างเนื้อเขาเรียกว่ามันไม่สําเร็จผลมันต้องใช้เวลาเจดวันจึงจะสามารถมองเห็นชัดว่าเป็นน้ําล้างเนื้อและผ่านมาอีกเจ็ดวัน หนึ่งสัปดาห์เนี่ยถึงจะเป็นก้อนเรียกว่าคณะเจ็ดวันทีออ่จะได้เป็นเจ็ดแล้วเจ็ดเจอ่าย <28 S 1> ีิบทีเนี้ยก็เป็นเป็นก้อนที่พวงทรงนับเจ็ดเจ็ดตามลําดับเพื่อจะเห็นชัดคือการให้ผลชัดให้ผลชัดของสิ่งนั้นๆที่ชัดขึ้นมาเรียกว่าสำนึกผลเป็นแต่ละขั้นแต่ละขั้นจากจากคณะเป็นก้อนเนื้อแดงๆก็จะอีกเจ็ดวันก็จะมาเป็นปันจักสาขา หัวหนึ่งแขนสองขาสองแล้วเกิดปุ่มห้าปุ่มขึ้นที่ก้อนเนื้อแดงๆนั้นเจ็ดวันนับไปอีกเจ็ดวันก็จะตาหูจมูกลิ้กนกระใจเริ่มเริ่มมานะและในวันนั้นกรรมวิมบ่ากก็จะเข้าปุ่มแต่งว่าจะได้ตาอย่างนี้จะได้หูอย่างนี้จะได้จมูกอย่างนี้จะได้ลิ้นอย่างนี้พ่อแม่อยากจะรู้ว่าจะบูกโด่งหรือไม่โด่งไปอันตรสาวดูแต่อยู่ในท้องแล้วลูกคูจะขี้เหล่หรือเปล่าวะก <laughs> วลจะไม่กวัวลูกจะไม่ดี <laughs> มันกรรมมันเข้าไปปุ่มแต่งแล้วเข้าใจไหม พุงแต่งใลนะ้นเนี่ยพระเจ้านับเจ็ดวันมันถึงจะเห็นชัดถึงจะออกมาเป็นลักษณะอย่างชัดเจนเพราะนั้นการที่เราจิตเราเนี่ยคิดหรือนึกถึงปลาลปุศลที่แ t t r a c t คือคิดเรื่อนั้นบ่อยๆเป็นแรงดึงดูดดูดเพื่อจะพอให้เกิดสำลิปผลเนี่ยทุกๆเจ็ดวันจะเกิดผลแต่ละขนาดแต่ละขณะผลขนาดเจ็ดวันนี้จะสมผลอีขกขณะเจวันต่อไป ขนาดเจ็ดวันต่อไปก็จะสมผลขนาดเจ็ดวันต่อไปจนเกิดเป็นส ก, การสําทธิ์ผลที่ยิ่งใหญ่พู้เจี่บอกว่าหากทาได้สิบสองปีต่อเนื่องโดยไม่หยุดเลยนั่นคือผลสําเร็จพันยิ่งใหญ่ที่ไม่ต้องทําต่ออีกก็ได้พู้เจ้าว่าถ้าครบสิบสองปีนะไม่ต้องทําต่ออีกก็ได้ <c oughs> จะได้รับผลนั้นตลอดทั้งชีวิตเลยนั่นคือความสําเร็จใหญ่สิบสองปีเนี่ยมันน่าลงคุณอยู่นะใช่เพราะว่ามันมัน นี่คือแรงดึงดูดถ้าจะพูดถึงปดนี้นะ Attraction ใช่ไหมภาษาอังกฤษการคิดเรื่องนั้นย้ำๆมันก็ไม่ต่างจากที่อาตมาสอนให้คิดอย่างเงี้ยตั้งจิตอยู่ในกุศลให้เบียดบนอยู่กับจิตตลอดตลอดตลอดาตมาบอกเอาเจดวันเป็นพิธันเหมือนคนเราจะเปลี่ยนนิสัยอ่ตื่นขึ้นมาปั๊บเอาเลยออกกำลังกายเลยนะอาใครกระโดดเชือกก็กระโดดเชือก ใครจะเอ็กเซอร์ไซส์แบบไหนเอาขอวันละ15นาทีทําม่ได้ทุกวันถ้าครบ7วันนะมันจะมันจะมันจะเคลื่อนไหวแบบนั้นอัตโนมัติวันที่8มันจะตื่นขึ้นมาแล้วทำเองอัตโนมัติได้หากเราสามารถเปลี่ยนตัวเองได้ในใน7วันแรกถ้าใครจะเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโปรไฟล์ตัวเองในวันแรกเย้ไหม่กี่วันกี่วันก็นอนติด ตียงอยู่นั่นแหละไม่อยากจะตื่นทันทีอะไมันก็ติดเป็นนิสัยอยู่อย่างนั้นตีจนจนแก้ยากเลยนะถ้าใครจะเปลี่ยนก็นเริ่มนับเจ็ดวันไปแรกๆเนี่ยอาจจะฝืนอยู่ต่อไปพอครบเจ็ดวันปุ๊บวันที่แปดจะง่ายขึ้นแล้วสัปดาห์ที่สองสามจะง่ายขึ้นสัปดาห์ที่สี่จะง่ายขึ้นมันจะสบายในทตนี้ถ้จะคิดจะเปลี่ยนตัวเองมันไม่มีแรงดึงดูดให้ทําอยู่มันมีกดของมันอยู่กฎธรรมชาติอย่างนั้น มีคนถามคําว่าท่านครับพูดถึงเรื่องบุญสรุปแล้วทําบุญทําทานกับผู้ทูตศีลที่เรารู้แน่แล้วว่าท่านผู้ศีลแบบนี้จะได้บุญหรือบาปครับลบกวนสงสัยลบๆบกวนสอบถามครับพระคุณเจ้าหากเรารู้แน่ชัดแล้วว่าท่านผู้ศีลแบบนี้รู้ชัดแล้วเราทําบุญว่ากับผู้นี้ว่าเป็นผู้ทูตศีลได้บาปแต่หากว่ารู้ว่าผู้นี้เป็นผู้ทูตศีล แต่ตั้งใจว่าเราจะทําบุญกับพระสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บุญเข้าใจไหมผู้ทุศีนั่นแหละแต่ตั้งใจว่าจะทาบุญกับสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่จะไม่ทําบุญกับผู้ทุศีนแต่อาศัยผู้ทุศีนี้ทําบุญกับสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ได้บุญแต่รู้อยู่แก่ใจว่าคุณนี้เป็นพระทุศีนแต่ทําบุญด้วยความรู้สึกว่าไม่มีพระที่จะทําบุญด้วยก็ทํากับผู้ทุศีนี่แหละได้บาป แยกออกไหมอยกออกไหมตอนนี้ตั้งเสตตาฮะตั้งเตมาเปลี่ยนความรู้สึกอย่าไปเอารอยด่างของเรื่องนั้นมาเป็นแง่คิดในการทำบุญเปลี่ยนความรู้สึกใหม่ว่าเอาสัญลักษณ์ของผู้เป็นพระพิสูสมณะนี้ที่ตั้งแห่งการทำบุญว่าเราจะทำบุญกับสงสาวบุคคลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ไหว้สงเลย ใช่ทวายสูงที่เรียกว่าสังคต า, า น, นั่นเองเศษฐินเศรษฐยาถามมาว่าหเหตุที่ทําให้ตายเป็นผลคือเกิดใช่ไหมครับใช่ไหมอ่ะตอบสิฐานะของชาวพุทธเหตุที่ทําให้ตายคือการเกิดใช่ไห ม, ม, มก็มันมีากมมารที่เกิดมันมีการที่เกิดเพราี่จะเกิดเกิดแล้วก็พราพี่จะตาย มันก็ถูกอยู่แล้วแหละเกิดแล้วตายเกิดแล้วพอมี่ะายตายแล้วพร้จะตายถ้าเราถ้าเราจะพูดในสภาพภายนอกอย่างเงี้ยภาพาวะที่เราเห็นกันเนี้ยการเกิดนั่นแหละเป็นเหตุให้ตายแต่จะต้องพูดถึงอีกแง่หนึ่งว่าเพราะอาศัยอวิชชาตันหาอุปทานนั่นเองจึงมีการตายก็เห็นแล้วครับทอาจายใช่ถ้าไม่มีอวิชชาตันหาอุปทานกรรมก็ไม่มีการตาย ถ้ามีวิชาถ้ามีวิชาก็ไม่มีตัณหาไม่มีอุปทานไม่มีกัมก็ไม่มีเกิดก็ไม่มีการตายกาไม่มีการตายนิพพานเมื่อไม่มีการตายก็ไม่มีการเกิดเป็นใจเป็นหลักคือถ้าจะแง่พูดเชิงของสมมติของชาวโลกก็ถูกต้องแล้วก็มีเกิดได้แล้วก็มีตายแต่ถ้าพูดในแง่ของตัวธรรมก็คือตัววิชาตัณหาอุปทาน ก็ให้เกิดก็ให้ตายให้มีการตายอยู่พอจะถ้าจะพูดถึงการตายคือการดับเราก็ตายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะพราะเราดับอยู่ตลอดเวลาถามว่าตายในขณะที่เป็นมนุษย์แล้วเกิดใหม่ไปตามภพภูมิที่วิบากกรรมจะสมผลมันก็ไม่ได้ต่า ง, างกาัน ต่างกันจากการที่เราตายตอนที่เป็นเด็กคือดับไปตอนที่เป็นเด็กแล้วมาโตเป็นผู้ใหญ่ดับจากความเป็นผู้ใหญ่โตขึ้นมาอีกเป็นวัยกลางคนจากใบกลางคนโตขึ้นมาเป็นคนแก่ก็คือการดับไปดับไปดับไปตายไปสิ้นไปนั่นเองเสื่อมไปนั่นเองไปอีกแต่เขาไมา่ดได้พูดถึงการตายในนักนขนนั้นคือการตายในขนานั้นไ ม, นม่ใช่มรณะมรณะคือขาดขาดอินทรีย์ชีวิตอีกขาดแต่การตายหรือการดับอย่างนั้นนั่นเป็นคุณเจ้าใช้คำว่าเสื่อมไปสิ้นไป ยังไม่ใช่คำว่ามรณะแต่จะได้ทราว่ามรณะจริงๆคือตายจริงๆมรณะเนี่ยก็มาจากการเกิดนั่นแหละชาติชาติชาราพญาธิ่มรณะ ก็พอสมควรแก้เวลาในวันนี้เค okay, วัง